วนเวียนในจั ก, กรกรวานสุขแลบทุกซ้ำซ้ำไม่เคยพ้น กำเนิดเกิดตายดังชีวิตนั้นมีเพียงเพื่อใจกรรมดวงบิญญาณที่อ่อนที่ลาเกิดขึ้นมาใต้เงาแห่งองค์พระพุทธและพระธรรมเป็นทางเดียวสู่ทางนหรือผ่านอันเป็นทางที่หยุดใจ กั่ทุ่มคนอาณาตาวิญญาณที่ทุกมทนบนเรียนเหนือไปสิ้นชิงมาแล้จงเดินตามทางค์พระผู้ให้ใจในีพระัรรมารมทุทท่มอันเชิก่อเกิดกรรมติดเลยยึดยืนยันให้เกิดทุก กายสึดับลับไปแต่ไม่พ้นต้องวนมาเพื่อใ้กำดวงมิญญาณที่อ่อนชลาเกิดขึ้นมาใต้เงาแห่งองค์พระพุทธและพระธรรมเป็นทางเดียวสู่ทางนรกหรือผ่านอันเป็นทางที่หยุดใจ ฉทุกคนอานาตาวิญญาณที่ทุกข์ทนบนเป็นเลอนไปสิ้นชิงนานแล้วจําเดินตามทางอุค์พระผู้้ใจมีรักทั้หน้ำตาจะพูดเรื่องเสีงให้ฟังะเล็กน้อยเสียงห้าก็ดีเสียงแปดก็ดีเสียงกี่ร้อยกี่พันก็ดี อย่าไปยึดมั่นถือมัน่นมีสักข้อนึ่งก็พอแล้วข้อเดียวคืออะไรอย่าเห็นแก่ตัวนั่นนะอยู่ตรงนั้นหมดเหละความไม่เห็นแก่ตัวนั่น เ, นเราไม่กล้าจัดก็เพราะเห็นแก่ตัวรักทรัพย์ก็เพราเห็นแก่ตัวบลึกติดในกลางก็เพราะเห็นแก่ตัวอุดมสาวาดก็เพราะเห็นแก่ตัว ไปติดของมึนเมงต่างๆก็เพราะเห็นแก่ตัวสี่งกี่ร้อยกี่พันก็เพราะเห็นแก่ตัวทานั้นเรามีสิ่งข้อเดียวไม่เห็นแก่ตัวถ้าไม่เห็นแก่ตัวเห็นแก่ใครทีเนี้เห็นแก่ผู้อื่นเห็นแก่สัตว์อื่นเห็นแก่ธรรมชาตินี่สิ่งข้อเดียวกลุ่มหมดเลยมีหลายข้อมากข้อ เสร็จแล้วก็เอาสีนไปบวชไปอวดกันมันไม่ใช่เอาสีนไปอวดกันอฉันมีสีนแปดฉันมีสีนสิบฉันมีสีนสองร้อยยี่สิบฉันมีสีนสามร้อยถ้าพระพุทธเจ้ายังยู่สีนสงสัยว่าเป็นหมื่นแล้วตอนนี้ก็เพราะว่ากิเลสตนามันเพิ่มขึ้นพอเพิ่มขึ้นก็ต้องบัญญัติสีนบัญญัติเข้าไปบัญญัติเข้าไปเห็นหมแต่ถ้าเราไม่เห็นแก่ตัว เห็นแก่ใครเห็นไปคนอื่นเห็นแก่สัตว์อื่นแล้วเห็นแก่ธรรมชาติเราเห็นแก่ธรรมชาติไม่ไปทำลายธรรมชาตินี่เราทําลายธรรมชาติจนหมดเกลี้ยงปูเขากวัวล้านหมดอะไรก็หมดแล้วไปเอาวัตถุดิบออกมาผลิตเป็นวัตถุแล้วออามามองเอวกันเนี่ยมันผิดศีลทางนั้นะคือผิดธรรมชาติ ทนี้เราจะเห็นว่าเราชีวิตของเราเนี่ยได้มาจากธรรมชาติร่างกายก็ได้มาจากธรรมชาติจิตก็เป็นธรรมชาติแต่เสร็จแล้วก็พอออกมาไปธรรมชาตินี่แหละจะมองเมาคือเรามองเมากันเองเราก็ไปหลงธรรมชาติที่เขามองเมาเราก็เลยทําความเดือดร้อนตอนนี้หลวงพ่อบอกว่า สงครามโลกครั้งที่สองมันเกิดครั้งที่สามเกิดแล้วถ้าเราก็ไม่เชื่อไม่เชื่อหรอกว่าสงครามโลกมันเกิดถ้าสงครามโลกมันเกิดมันต้องมีระเบิดปรมาณูต้องมีนิวเคลียร์ไม่ใช่ไม่ใช่อย่างนั้นอย่านีสงครามวัตถุมันเข้าไปทุกโซกทุกมุมในโลกนี้แหละสงครามวัตถุทีนี้มันออกมอกันล่อพอกปิดวัตถุมัน อ, อมอันล่อ เราก็เลยมีแต่ความอยากอยากอยากอากอากอากไม่รู้จักพอ่อนี่แต่ไม่ไม่มีอะไรที่จะพอดีเลยพระพุทธเจ้าตรัสว่าผู้ปฏิบัติจะต้องเดินทางสายนี้ลูกนะเดินทางสายนี้อริยมรรคในองแปลให้เดินทางอริยมรรคในองแปลที่เราสวดกันเมื่อกี้นี่แหละมัชชีมาแปลว่าพอดีพอดีพอเหมาะพอสมพอกวรมันอยู่ที่พอดี นี้กินอยู่พอดีกินพอดีเนี่ยถ้ามันเกินไปต้องแตกลูกกึงอ่อาง3ามตัวแม่ไปหา ก, กินเสร็จแล้วมีวัวตัวหนึ่งมาถึงเหยียบพอลูกกึงอ่อางตายไปตัวหนึ่งไอ้สองตัวก็รายงานแม่แม่ให้รู้สัตว์อะไรตัวัวเลอเกินมาเหยียบรูปของแม่ตายไปแล้วหนึ่งตัว ใหญ่ขนาดใดรูเรื่องอาหารมันพองได้เห็นไหมขนาดนี้ได้ไห ม, ไ ม, ไไหมนนขนาดนี้ได้ไหมไม่ได้แม่โตกว่านั้นอีกขนาดนี้ได้ไหมไม่ได้โตกว่านั้นอีกพองออกพองออกต้มแตกตายเลยอนั่นแหละคือไม่รู้จักคําว่าพอดีที่นี้พระพุทธเจ้าพระองค์ตรัสว่ามัชฌิมาปฏิปทาความพอดีมัชฌิมาปฏิปทาสัมมาทิฏฐิ สัมมาสังกัปปะสัมมาวาจาสัมมากัมมันโตสัมมาอาชิวสัมมาวายาโมสัมมาสติสัมมาสมาธิสัมมาคือตัวปัญญาตัวปัญญานั้นแหละเป็นตัวที่ควบคุมให้การปฏิบัตินี่มันพอดีทุกอย่างมันลงลงตัวกันพอดีถ้าโยมนั่งแต่สมาธิเดินจะรงกลมอะไรเหร ยกหน้อย้่างน้อยียบน้อยน้อยน้อยน้อหน้ออยู่นั้นได้แต่หน้อยทีนี้ได้อะไรได้แต่สมาธิทีนี้พอทําไปทําไปเป็นฌานสมาสมาธิได้เป็นฌานพอเป็นฌานเอ๊ยมันสบายสบายสบายเนี่ยมันสบายมันสบายพอมันสบายก็ไปติดฌานทีนี้แล้วพลังจิตมันก็เพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นติดฌาน ยกขึ้นสู่วิปัตนาคือยกขึ้นสู่สมาธิีไม่เป็นก็เลยตายกับฌานนะั่นเองตายกับฌานเพราะยอดของสมาถาคือฌานแต่ยอดของวิปัตนาคือปัญญาปัญญาที่เห็นอริยสัจสี่จากนั้นเมื่อมันเริ่มที่จะเป็นฌานหรือ่าเป็นสมาธิขึ้นมานะี่ยอยู่ในระดับไหนก็ตามเมื่อมันเป็นสมาธิ ยกขึ้นสู่สมาธิคือมีความเห็นอันถูกต้องเนี่ยให้มันพอดีพอดีมีความเห็นอันถูกต้องทีนี้มันต้องเห็นอริยสัจซีจึงถูกต้องนี่ถ้าหากว่าเราปฏิบัติแค่ส ม, มาส ม, มาธิก็ติดแล้วติดแล้วก็ติดอยู่แค่นั้นไปไหนไม่ได้เลยจนตาย ตายแล้วก็ไปเกิดเป็นเทพแค่นั้นคอยอยู่แค่เมื่อไหร่จะได้เป็นพระอริยบุคคลชั้นใดชั้นหนึ่งชักทีหนึ่งเนี่ยมันไม่ได้เลยทีนี้ถ้ากิจจานพอพระเทวทัศน์นั่นแหละติดตายเนะี่ยเพราะฌานเป็นดินสูงนะนางกินจะมานาะวิกาก็เหมือนกันทํากับพระพุทธเจ้าพวกนั้นไม่ได้ได้ฌานหรอกแต่พระเทวทัศน์นั้นได้ฌาน ได้จานเสร็จแล้วก็ยินดีในราบจัการะจานแต่งปังเลยน่เห็นไหมนั่นคือพระจานในพระสมัยนี้ก็เหมือนกันเนี่ยเราทําก็ได้จานเหมือนกันพอได้จานแล้วอวดดีไม่มีอาจารย์ยกขึ้นสู่อภิปรินาไม่เป็นยกเกิตขึ้นสู่สมาทิฏฐิไม่เป็นพลยกขึ้นสู่สมาทิฏฐิไม่เป็น ก็เลยได้แค่ชาญแล้วก็ยินดีในวัตถุยินดีในผู้หญิงมียินดีในเงินใ น, น, ในทองโอพังดังนั้นเไม่มีทางเลยฉังนั้นทางที่ปลอดไปที่สุดก็คือพอเราทาสมาธิจิตเป็นสมาธิมากก็ได้น้อยก็ได้แต่ถ้ามากเกินไปไม่ได้มากเกินไปจากชานเนีมันจะลงลึกไปต้องลิงขึ้นมามันเลยความพอดีไป กันไม่ได้ทีนี้พวกพวกที่จิตฌานนาะตอนที่พระเดชพระคุณท่านอาจารย์พุทธทาสท่านก็อยากจะบอกฝากกันไปว่าชาตายากชายยางหนอควายยางหนอเนี่แล้วก็ไม่ใช่กูหนอว่าหนอมีใครต่อบ้างมั้ยไม่อยู่แต่ในฌานนาะอยู่แต่ในฌานคือมันติด นั้นตดนะสมาธิมันก็ติดก็ติแต่กดลงไปถูสมาธิติดลึกตัวแข็งอย่างนั้นตัวแข็งอย่างนะ น, นี่คือไม่ยกฌานขึ้นสู่ ว, วิปัสสนาคือยกขึ้นสู่ปัญญาวิปัสสนาเนี่แปลว่าเห็นแจ้งเห็นแจ้งอะไรเห็นแจ้งอรจะสัตวสี่นี่ต้องให้มันพอดีความพอดีฉะนั้น ต้องมีปัญญาทางนั้นเนีสัมมาทิฏฐิต้องมาก่อนปัญญาต้องมาก่อนเราจะทําอะไรเราจะคิดอะไรเราจะพูดอะไรปัญญามาก่อนสัมมาทิฏฐิมีความแม็นนั่นถูกต้องสัมมาจะควบคุมหมดสัมมาจังกับโปมีความดําริในการออกจากกามกามวัตถุ ก, ก็ดีกามในด้านระหว่างเพศก็ดีมีความดําริในการออกจากกาม มีความดำํำริในการไม่มุ่งร้ายมีความดำํำริในการไม่เบียดเบี้ยนเพราะกรมตัวเดียวนั่นแหละกรรมตัวเดียว อ, อ๋อกรรมวัตถุต่างคนต่างก็หาเงินหาเงินหาเงิ น, ห า, งนหาทองเงนโอ้ยต้องหาไไม่ได้ประหยัดประหยัดหาแล้วก็ไม่ต้องกินกินน้อยๆใช้น้อยๆเดี๋ยวเวลาแก่ไม่มีใครดูแลช่วยเหลืออืคิดกันอย่างนั้นต่างนั้นถ้าเราทําดีนะ เรช่วยเหลือผู้อื่นเรากินอยู่แต่พอดีพอดีที่เหลือออกไปเรช่วยเหลือผู้อื่นช่วยเหลือผู้อื่นช่วยเหลือผู้อื่นแต่ช่วยเหลือผู้อื่นต้องมีปัญญาด้วยถ้าไม่มีปัญญาไม่ได้หมดนับรองว่าหมดช่วยเหลือผู้อื่นต้องมีปัญญาธรรมมาทิฏฐิ isas, มีความเห็นอันถูกต้องธรรมมาสังกัปปมีความคิดอันถูกต้องอดํำรีในการออกจากกาม แต่เรีในการไม่มุ่งร้ายแต่เรียในการไม่เบียดเบียนเดี๋ยวนี้มันกามทางนั้นกามทางนั้นเลยกามาวัดตุนี่มาแรงอย่างนี้ยี่สิบสามสิบปีแล้วพระเดชพระคุณท่านอาจารย์พุทธทาสท่านบอกว่าน่ากลัวมากนะน่ากลัวมากนี้น่ากลัวมากวัตตูนี่เราไม่กลัวกันเลยไม่กลัวมันมีแต่ความอยากความอยากไปดูที่ในกรุงเทพกอดีที่ไหนก็ดี เดินก็ทิมทิมทิ้ทิมทิมกนนั่งตรงไหนก็จิ้มจิ้มจิ้มจิ้มิมนั่นอะไรก็ไม่รู้มันมีธุระขนาดหนาก็ไม่รู้นี่แกมาไม่มีแต่จิ้มจิ้มจิ้จิ้มจิ้มอ้าวก้าวในสวนกันก็คอรูดรูดรูดรูดรูดจนหมือนหมดเรก็อยากไปหมดแกมาจะอยากไปหมดมันน่ากลัวไหมลองคิดดูดิหลวงพ่อไปเมื่อวานไปกี่ใต้ที่เล็ก ไม่ได้เชื่ออะไรตักบาทหนึง่งแต่ชื่อเชื่อไปกวาาเด็กไปเงินก็ไม่ตรง t ้ายคุณหลินหมดท้องฝ่ายหมดไม่ตรง t ้า i ตักบาทหนึง่งเลยไปไม่ได้ย่างก้าวไปตรงไหนเลยไปเมืองนอกเมืองนาแบบีของเนี่ยเอาไปฝากกวากว่ากวากว่ากว่าไกลกิน ข, ข, ข, ข, ของกัทุกวันก็ใส่บาททุกวันเราเป็นหนีขข้กันทุกวันอืมก็เลยต้องให้การนี้ก็บ้าง ไปไหนก็ให้ขานี้ก็บางกลับมาเนี่ยทําอยู่อย่างนั้นเล้วไม่ต้องกลัวอดตายเพมันรู้ไปที่ใหญ่พวกสีขาหนะม้อข้าวมันก็ไม่มีหม้อแก้มันก็ไม่มีมันกระดิกางเนี่ยมันเลียเลียเลยแล้วมันก็ได้กินแล้วแห็นไหมมันได้กินแล้วมันรู้ว่าคนไหนมีเมตตาไม่มีเมตามันรู้คนไหนไม่มีเมตามไม่เข้าใกล้แต่ว่านั่นเห็นไหมอย่ว่าคนเลยหมายังไม่นเข้าใกล้เลยนี่เลยก็ไม่ต้องกลัวอดหรอก ไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวอดเรามีแต่ห้ให้ให้หลงพ่อให้จนกินไม่ไหวกินไม่ไหวที่วัดเลยนมกล่าก็ดีอะไรอะไรตัวอะไรก็ไม่ยทุกออกไปใครกินได้ก็ออกไปออกไปต้องกลองเลยขอบอกไม่ฉันเลยไม่ไหวยี่ห้อแบบไหนไม่ฉันเลยไอ้ยาวๆนั่งอยู่ก็ไม่เอาไม่เอาตายฉันอยู่ก็ตามันหิวหน่อยก็ เอานมราหมี้มาตึงก็กระกป๋องหนึ่งหรือว่าไอ้แบรนด์อะอแค่นั้นแต่สวนมากว่าโอนติมที่ยมก็ถวายใส่บาส ม, มาตอนเชา้าใส่ตู้เย็นอให้เด็กมันเวบแล้วก็จันอ๋อแล้วแค่นั้นไม่เห็นอดเลยแล้วทำไมคิดมากถึงขนาดนั้นเนะหากันไม่หยุดหาแล้วกินก็กลุ่มเฟื่อยนี่ไม่พอดีอ่ะ อะรก็พุ่มเฟือ่อยการกินพุ่มเฟือ่อยเสื้อผ้าพุ่มเฟือ่อยที่อยู่ที่อาศัยพุ่มเฟือ่อยยารักษาโรคหมอให้ามากินไม่หมดทุกทีหนึ่เนี่ยพุ่มเฟื่อยทั้งนั้นเน่ดี๋ยวนี้มีพุ่มเฟือ่อยทีนี้อย่างอื่นไม่ต้องพูดถึงก็ไปวันนี้ก็อยู่เไปบ้านคุณติก๊กกานั่นแหละก็กดสามบ้านสามบ้านก็เคล็แล้วก็เลยไปเดืยดบ้านเขา ไหนูกหลวงพ่อกับศัพท์สิทธ์ขึ้นมาแล้วตอนนี้ต่านชิดกันเหยียบบ้านอืมันก่อนไปเหยียบไปลูกสิคนหนึ่งก่อหลวงพ่อหลวงพ่อไปเหยียบบ้านฟองทีก่อนไปเหยียบให้ก่อลุงจ้าวหัวข้าวไว้ในบ้านเลยพอหลวงพ่อทำยังไงหัวข้าวผมเออนั่นแหละมันเอาเงินเข้าไปเห็นไหมที่หัวมันมันมีตังมีตะตางอยที่พหัวมันเห็นไหมงานไหยก็ว่าโชกดีได้อย่างนั้น เลวพ่อก็ไม่ได้ทําอะไรหรอกอก็ทําเมือนที่ก็ทําๆกันนั่นแหละเกรงใจอเด็กมันมีกําลังใจหน่อยนี่ยะไม่ต้องกลัวนี่เราทําแต่ความดีความดีความดีเรา ม, มีแต่ให้ให้ให้ใ ห, ใ ห, ใ ห, ให้มีแต่ให้ต้องคิดถึงคนอื่นก่อนคนเมื่อไหร่ก่อนก็ปลูกต้นไม้ปลูกต้นไม้ปลูกไม้ผลอย่างเนี้ยนกกินเป็นบุญคนกินเป็นทาน เขาไม่ได้ปลูกอะของกูของ ก, ของกูของกูก็ไม่ได้เท่กากระถานั้นหรอกก็เท่กากระถาง่ะนกกินเป็นบุญคนกินเป็นทานก็เท่งแค่นั้นแหะมันอยากกินว่ะมันกินไป อ, อะไรไปเนี่ยก็แค่นั้นแกมันก็ไม่เห็นแก่ตัวแต่คนเดี๋ยวนี้กินก็ไม่หมดใช้ก็ไม่หมดอะไรก็ไม่หมดก็ยังไม่พอนั่นแะหละน่ากลัวไม่ตรงกลางวัตถุหากันยันรุ่งยันค่ำ ไม่พอทักทีหนึ่งแล้เมื่อไรมจะพอล่ะโน่นเลยให้เขารดน้ำนั่นแหละเสร็จแล้วก็ตายแล้วมือหง่อยก็รดน้ำ <c oughs> ยาวอะไรไปนะเนี่ยยาวอะไรติดมือไปมันไม่ติดไปแล้วตอนนั้นไม่มีทางแล้วเนี่ยวัดตัวหน้ากลัวธรรมะทิฏฐิสัมมาสังกัปโป่นี่ปัญญา มีความคิดอันถูกต้องมีคำพูดอันถูกต้องมีการกระทำอันถูกต้องดํารีในการไม่เบียดเบียนดํารีในการไว้มุ่งร้ายดํารีดํารีในการออกจากกาม น, นั้นข้อต้นก็คือจากกามวัตถุจากกามกิเลสนั่นแหละออกจากกามทีนี้ถ้าเราไม่เห็นแก่ตัวสี่นทั้งหมดสีะศีนทั้งหมดไม่ว่ากี่ข้อ ธรรมาวาจาธรรมากัมมันตาธรรมาชีวะนั่นคือสีนสีนทั้งนั้นนี่นคือไม่เห็นแก่ตัวมันไปนโจกเยไม่เห็นแก่ตัวธรรมาวายะมะเล่งอที่การปฏิบัติไม่ใช่น้อต้องเป็นนั่งในวัดกรรมะอยู่ในวัดที่บ้านไม่มีธรรมะถ้าที่บ้านไม่มีธรรมะเราก็ตายดีเราทํางานกันทุกวันทุกวันธรรมะมันอยู่ในที่ทั่วไป อยู่ทุกๆ ท, กที่ทุกหอนทุกแห่งธรรมะทีนี้เราคิดว่าธรรมะอยู่ที่วัดธรรมะอยู่ที่พระพระบางทีไม่มีธรรมะแตกนิดนเดี๋ยวนี้ทําธุรกิจกันเกือบหมดแล้วมีแต่ทําธุรกิจกันวัดนัดก็สร้างพระองค์ใ่ญ่ที่สุดแล้วก็ทําเหรียญทําเหรียญทําเหรียญอ๋อทำกันไ ป, ไนไปไ่ายกันไปอะไรกันไปเยอะๆเต็มไปหมดไม่ไหวแล้วเดี๋ยวนี้ไม่ไหวแล้ว แต่นั้นนี่พูดอย่างนี้ไม่ใช่ว่าอวดตัวไม่ใช่ว่าอวดตัวหลวงพ่อเก่งหลวงพ่อไม่ได้เก่งหรอกแต่หลวงพ่อไม่ทาอย่างนั้นไม่เอาที่กําลังที่จะรอรลูกหลวงพ่อมาทุระที่กรุงเทพเนี่ยเรื่องรอลูกหนึ่งติดรอลูกอยู่สองสามวันทำไมจึงรอลูกอะ่ะก็บอกว่าเอรอไม่ได้ตายแล้วจึงจะรอนั่นพวกกลัวตายกลัวว่าจะตา ย, ตาย เราตายก่อนตายไอ้ช่างมันแต่ว่าพอดีที่ดินเน่ะมันเป็นของป่าไม้แล้วทีนี้ไอ้ใครมันจะมาเจอโกงอะไรไม่ได้จุดประสงค์เพื่อให้เป็นหลักฐานว่าหลงพ่อข้าวมาอยู่ตั้งแต่ก็เป็นที่ดินสาธารณะพอจอตรองพันอาร้อยสิบแปดวันที่สิบสาม กรมป่าปั่นพอสองสองสองปัญหาร้อยสิบแปดสี่สิบปีแล้วอยู่สี่สิบปีสี่สิบปีนี้มันก็มีปัญหาอะไรต่างๆนำมานาดาเขไม่เคยกลัวมันที่นี่พอที่หลังก็ป่าไม้เขาเขาก็กมาออกกฎหมายพออกกฎหมายก็เป็นที่ป่าไม้หมดแล้วป่าไม้เขากอนุญาตเราอยู่นั่นแหละถ้าไปเอามาเป็นของกูทําไม มีคนเขาคือจะถามบ่อยๆหลวงพอ่อเวลาหลวงพ่อไม่อยู่แล้วเขกเกรงใจเวลาไม่อยู่แล้วก็คือตายอะไรก็ไม่ได้พูดเลยเวลาหลวงพ่อตายเนี่ยจะทำอย่างไงหลวงพ่อบอกเออเดี๋้วมันตายไปที่ตายก็ตายอปไม่เป็นไรเราทําดีที่สุดแล้วก็ทำใจอยู่เสมอว่าไม่ใช่ของกูนี่พออยู่กว่ามันจะตายนี่ตายแล้วก็ช่วยเผากันด้วย ที่ใส่กระดูกก็ทาไว้แล้วสร้างไอ้นั้นที่ใส่กระดูกกันห้าหม่นกว่าแต่ก็ใส่ไว้ในถรำของท่านอาจารย์พุทธทาสก็ใสแล้วนั่นใส่แล้วยังเหลือก็ของก็อรออยู่ตอนนี้ทีนี้เราก็สร้างแล้วก็ทําหลักฐานเอาไว้ว่าตัา้งแต่พ่อจอตานั้นเดือนนั้นปีนั้นมาสร้างวัดมาสร้างทำนักวิปัฒนาวัดก็แม้วเอาเป็นสำนักวิพัฒนาหรือเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรม ใครทำไม่ทำก็จังมันไม่เป็นไรแต่เราทำก็ก่อนอยู่กันรูสิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดรูปพอข้าที่ข้าทางนี้หมดอเออใครไปก็ไปเราอยู่จนตายไม่ตายกว่าแล้วไปอยู่ปฏิบัติใครอยู่ไม่อยู่เราปฏิบัตินี่เห็นไหมพระเดียวนี้ก็หาแต่วัตถุกันเหมือนกับโยมนั่นแหละทีนี้พอวัดอยู่ใจกลางเมืองเลย โยงกับล้นกับมาร้นกับมาร้นกับม า, า, ม, ามาขายหน้าวัดไปไปมามาเกาไปขายในวัดเลยมันก็เป็นตลาดหมดเลยที่นี้มันน่ากลัวนี่แหละวัดตูุมันข้าวไปเต็มหมดหน่ากลัวแต่ของลวงพ่อนทำไม่ได้มันทำได้อย่างไรอยู่บนเขากัมเพียงนี่ก็กําแพีงนี่กําแพีงนี่กําแพีงนี่ก็เป็ น, น, น, นยอดเขาเป็นกําแพียงไอหลวงพ่อทุกเขาเนะี่ยตอที่ไปอยู่ใหม่ๆหลวงพ่อขึ้น โยงเดียวลูกหมาตัวหนึ่ง แ, แล้วบอน้ําก็ไม่มีอะไรก็ไม่มีที่อยู่กับแต่แล้วลรง พ, พอ่อบากต้นไม้ก็ไม่มีแั่ต้นหนึ่งมีบ้างล้อมแหลมบนภูเขาแต่ที่ทีหลวงพ่ออยู่ไม่มีเลยออกมาปัดเสาะดวนหงายแล้วก็ดููนี่ยอดเขานั้นยอดขานั้นยอดขานั้นเอาใครอยากจะหลอกก็หลอกเลย อ้าวต้องรจะดูอ้าวนั่งรออ่อไม่รอเดีย๋ยวข้าไปนอนแหละนี่คือเราต้องเข้มแข็งไม่ได้คือต้องเข้มแข็งทุกอย่างแหละต้องเข้มแข็งทุกอย่างไม่อย่างนั้นไม่ได้แต่ในทางที่ถูกต้องนะถ้าไม่ถูกต้องเราอย่าไปเข้มแข็งในทางที่ถูกต้องอ้าวเราก็อืมที่นี้ อย่างต่างเอ่อนผว่ามาทําไมอ่ะอมาตวรวกัรหลวงพ่อมีตัวอะไรต่านผู้ว่าต้าตำรวจใจแดงก็จะมายิงปืนลูกกระสุนมันเหลืออทําไม ค, ครืริกปลาโมดเป็นเป็นนายเป็นนายกอ่ะลูกกระสุนเหลือเหลือตรงยิงทิ้งไงมันหมดนี่อมันไม่จีบหายยังไงประเทศชาติไอนี่อนหอวงพ่อขอจะทํา สถานที่ยิงปืนเอาท่านภูว่าเอาอย่างนี้เนาะหลวงพ่อในสถานที่นี้หลวงพ่อตั้งใจแล้วจะทำสำนักวิปัสสนาแต่ถ้าหาว่าท่านภูว่าหาไม่ได้ที่ยิงปืนหลวงพ่อรับอาสาไปหาเองลงเลยตลงพ่อจะมีอะไรแปลกๆเยะแยตังนั้นเนี่ยต้องต่อรู้กันมาลงเลย เราถึงเรียกผู้ว่าแต่ละคนแต่ละคนโอ้ถ้าผู้ว่าคนไหนไม่สุจริตไม่ตรงไปตรงมากับหลวงพ่อไม่ต้องมาโคบหลวงพ่อพ่อมันอยู่ใกล้ยอยู่ในตรงนั้นกระแสกลางอยู่ข้างหน้าไม่ต้องมาโคบหลวงพ่อหรอกอย่า ม, มาโบเลยแต่ถ้าจริงใจแล้วมามาโบไม่หวาเลยทีนี้ก็พวกหัวหน้าชำนาญ ก, กานต่างๆเนี่ยก็จะเริ่มขึ้นอยู่แล้วหลวงพ่อก็ไม่ค่อยจะอยู่วัดไปวันพฤหัส แต่ต้องขึ้นมาปฏิบัติธรรมกันว่นาหน้าสำนักงานต่างๆนั่นหลยมันมีปัญหาเยอะแหละปัญหาแต่ว่าไม่กลัวไม่กลัวที่อย่า ง, างนั้นีน่แหละเพราะอะไรธรรมะนี่แหละธรรมาตายเรายัางไม่กลัวได้ไปกลัวเจ็กก็อย่างนี้ไปกลัวไปทําไมไม่ต้องไปกลัวทํามันไปทํามันไปทํามันไปไม่ต้องกลัวแก่ไม่ต้องไปกลัวเจ็บไม่ต้องไปกลัวตายไม่ต้องไปกลัว เพราะอะไรเพราะถ้าเรามีสัมมาทิฏฐิมีความเห็นอันถูกต้องแก่คืออะไรเจ็บคืออะไรตายคืออะไรมันมาจากอะไรมาจากเกิดมันจะเกิดจากทรงแม่เกิดตรงนี้เกิดจากความรู้สึกว่าตัวกูเพาตัวกูขึ้นมากวความหนุ่มสาวของกูแก่ของกูเจ็บของกูตายของกูนานนะที่อีนนี่เราเราอยาให้เกิดตัวกูขึ้นมาที่เจ็ดตัวนี้หละ ให้เห็นว่าจิตเป็นธรรมชาติที่ว่างจากกวัวตนไม่ใช่ของเราไม่ใช่ตัวเราเป็นธรรมชาติอย่างหนึ่งที่ว่างจากกวัวตนทีนี้ธรรมชาติอย่างอื่นนะที่อาหารการกินเพื่อผ้ายาและสาโรคที่อยู่ที่อาศัยมันก็เป็นธรรมชาติทางนั้นเป็นธรรมชาติที่มันหมุนเวียนอยู่อย่างนี้ยมันก็ร้อยหลอไปอะไรไปก็คืออนิจจังและนัตตาเนี่ยมันจะไม่ผ่าน ตอนนี้ไปได้อันนี้จังอนัตตาแล้วก็าะชนญตาคือมันว่างจากตัวตนไม่มีอะไรที่เป็นตัวตนถาวนเลยทีนี้เราไปดูจิตจิตมันไม่มีตัวตนได้เราไปเชื่อมันยังไงว่ามันมีตัวตนจับต้องมันก็ไม่ได้ไม่รู้มันอยู่ตรงไหนเนี่ยมันวิ่งไปวิ่งมามันไปโน้นมันไปนี้มันไม่ต้องเสียค่ารถค่าราค่าเครื่องมันก็ไม่ต้องเสียเลยมันไปแล้ว แต่มาคิดว่ามาเชียร์มอยอมาบ้านโยมก็อย่างแฟบเดียบมันมาแล้วแต่ร่างกายนี้ต้องเสียเพราะมันมีตัวตนจริงแต่ว่ามันก็ไม่ถาวรจิตยังไม่ถาวรใหญ่เลยของพ่อไปนิวซีแลนด์ออกไปไปวันจะกลับเก้าวป่าจ้าอันนี้จ้าวว่จะ้สังกาลาเป็นแถวเพราะว่าตอนที่แผ่นดินหวเนาตายมันเป็นแสน ตจงสารมันหลวงพ่อเนี่ยพอเห็นป่าชาเหมือนกับเด็กเห็นขนมอย่างนเงี้ยมันชอบข้าวไปเลยแต่ไปโยนี่ร้านอาหารอยู่ตรงนี้เพราะว่านั้นเน่ยไปสันก้าวที่ร้านอาหารเนี่ยก็บรรยายทำให้เขาฝังโยมบอกว่าหนูตั้งแต่อยู่นิวซีแลนด์มาสิบ ป, ปีแล้วไม่กล้าเหยียบย่างกลับไปเลยเนี่ยเพิ่งมาวันนี้ที่หลวงพ่อไปโดยลูกนออ้องบอกว่าตามันไปเป็นแถวเราไปกันยี่สิบสามสิบก้าวไป สงสานผมทาา่านนเจ้าวา้ตสังคาราก็ากลับมาเป็นยังไงออคนก็มาทำสมาธิกันมาปฏิบัติของพ่อพวกหน่อยมานอนกันหน้าอ่างน้ำที่่างดืนมันเต็มกันไปหมดบพวก น, นู้นพวกนี้ที่แล น, นไม่ได้ชว น, น ม, มันมาเิงมันเพราะความเมตตาของเราเนี่ยเราช่วยคือเดีย๋ยวกแปเมตตาให้เขาเป็นไหม เกิดในประเทศอื่นเนี่ยเพราะไม่มีพระช่วยไม่มีธรรมะแต่ประเทศไทยของเรานี่เห็นหมายว่ามันพร้อมภาคปริยัติภาคทฤษฎีภาคปฏิบัติไจหลวพระแล้วก็จะเหลวไหลไปทั้งหมดที่ดีก็มีแต่เราต้องรู้จักเลือกภาคปริยัติภาคปฏิบัติภาอแนังกาปฏิบัติที่ออกมาเนี่ยมันก็มีเห็นชัดเจ น, นเรา โชคดีขนาดไหนมาเกิดในประเทศไทยอย่าไปหลงไหลอย่างไหนนี่ธรรมยุทธนี่มานิกายนี่มหายา น, นี่เลิกไปยุ่งทำไมพระพุทธเจ้าองค์เดียวกันทางนั้นตอนทีหลวงพ่อไปวันนั้นไปงานของพ่อแนเพื่อที่อาจจะประถามของพ่อเป็นธรรมยุทธหรือเป็นมานิการไม่เป็นอะไรเป็นพุทธนิกายนี่เลิกเลยทีตร้งพ่อ มีปรรษาเท่าไหร่ถามไม่ทำไมอยู่จะเล่นหวยอยู่ <c oughs> มันดับทุกไม่ได้ไม่ต้องไปรูม้มันเนี่ยมันต้องเล่นอย่างนี้แหละต้องเล่นอย่างต้องเล่นอย่างนี้เจ้าต่างากางันจริงๆหลวงพ่ออายุเท่าไหร่มันเรื่องอะไรถ้าเวลาของจริงที่ไหนเหมืนอนหลวพ่อพูดอะไรอย่าไปยึดถือมันฉะนั้นเรามีชีวิตอยู่เท่าไหร่ก็เราช่วยเหลือตัวเองแล้วก็ช่วยเหลือผู้อื่นหลงพ่อเกิดมานี่ก่อนเกิด เล่าความไม่ความโยมแม่ฝันว่าได้ดอกบัวสองดอกคู้แก้กันตั้งแต่รู้เรื่องบวชเนตแล้วก็แก้ไม่เป็นบวชระกเด็กก็แก้ไม่ได้ต้องปฏิบัติปฏิบัติปฏิบัติปฏิบัติทีนี้หลวงพ่อเอาว่าอดอกบัวคู่มันอะไรทิศาดอกบัวคู่แต่ดอกบัวคู่ของหองพ่อนี่ยมันแก้ดอกบัวสองดอกไอ้นู่นดอกบัวคู่ก็ว่ากเด็ก็ไม่ทราบ แต่สองดอกนี่ของหลวงพ่อก็เลยผมปฏิบัติปฏิบัติเลยแก้ได้เลยทีนี้ดอกที่หนึ่งเราทําดอกบัวนี้ให้บานนี่ดอกบัวของเราเนี่ให้เห็นอริยสัจสี่เห็นกันหาเห็นปฏิจจสัตวมกบบาทดอกบัวดอกที่สองช่วยเหลือผู้อื่นตรงเป่งเลยเนี่สองดอกนี้หนึ่งแน่นอนเลยเพราะฉะนั้นนี่เรียกว่าเล่าความก่อนเกิด ดังนั้นไ ม, อนม่อย่างนั้นผลวงพ่อจะมานั่งพูดอยู่ที่นีไ Dios ่ไม่ได้หรอกถ้าดอกบัวของตัวเองยังไม่บานเราจะช่วยเหลือผู้อหิวแบบสัมมาทิฏฐิเป็นยังไงสัมมาสังกปรสัมมาวาจะสัมมากัมมันตุไม่ได้มันไม่ได้หรอกทีนี้ที่เขาพูดพูดพูดพูดก็อ่านตำราไปหลวพูดพูดพูดพูดนี่หลวงพ่อตำราของหลวงออยู่ในนี้หมดอยู่ในนี้หมดตำราจะพูดอะไรก็ได้ ให้ดับทุกดได้ก็แล้วกันทีนี้โยมก็เหมือนกันธรร ม, มาวาจาธรร ม, มากัมมันต์ตาธรรมาชีวาธรร ม, มาวายามะธรร ม, มาสติเห็นตรวจกันหมดทุกอย่สตินี่ขาดมากต้องมีสติมีสติว่าอย่างไงมีสติว่าไม่ใช่กูอืไม่ใช่กูนั่งก็ไม่ใช่กูนอนก็ไม่ใช่กูหายใจเข้าหายใจออกไม่ใช่ใครบอกว่ามึงอะไรยคร มันไม่เจี๊ยโมึงเกิดก็คือธรรมชาติเป็นธรรมชาติทังนั้นดังนั้นเราต้องคืนคืนให้ธรรมชาติคืนตอนที่เป็นๆอยู่นี้แหละใครบางที่ไม่คืนหายเจข้าเลยต้องออกะก้าวแล้วไม่ห อ, อกตายไม่มีทางรอดเลยเนี่เราต้องคืนให้ธรรมชาติต่างนั้นอา่านการกินต้องกินเข้าไปเพื่อความอยู่ได้เจ็บแล้วก็ต้องคืนกลับให้ธรรมชาติได้มาจากธรรมชาติคืนให้ธรรมชาติ เคื่อป้าได้มาจากธรรมชาติเสร็จแล้วคือได้ธรรมชาติที่อยู่ที่อาทัยมันไม่อยู่ถึงร้อยปีพันปีหรอกมันต้องคือหน้ธรรมชาติเพราะมันเป็นธรรมชาติมันได้มาจากธรรมชาติยูกยารักษาโรคก็ธรรมชาติตรงนั้นนี่เราคิดว่าการปฏิบัติตมวันที่พูดนะว่าธรรมะอยู่ในวัดวันธรรมชาติธรรมะธรรมะคือธรรมชาติธรรมชาติคือธรรมะ ให้โยมตาแจ้งขึ้นมาได้เลยธรรมะคือธรรมชาติธรรมชาติคือธรรมะนั่นแล้มันธรรมชาติทุกอย่างถสิ่งไหนที่มันเป็นอนิจจังไหลเรื่อยไม่อยู่กับที่ไหลไปเรื่อยตามกฎของธรรมชาตินั่นแหละคือธรรมชาติสิ่งไหนที่เราก้าวไปยึดมั่นถือมันร่างกายของเราเนี่ยแหละแต่ละสัตว์แต่ละส่วนก้าไปยึดมั่นถือมัน ไม่อยากแก่ไม่อยากเจ็บไม่อยากตายไม่ต้องไปถึงเกาหลีใต้ถ้าไปผ่าตัดก็ไม่มึงใจเกาก็าผ่าตัดเยอะเนี่ย น, นี่พ่ที่ไปผ่าตัดเนะ่ยไม่ใจตัดโรคตัดอะไรหรอกไม่ใจเป็นมะเร็งหรือว่าเป็นโรคหัวใจอะไรไปผ่าตัดทําให้คางสวยทําให้จมูกโดง่งนั่นน่ะเยียมันถึงมันทางนั้นแล้วไมีกวานทุกเนี่ยมันมีก่อนทุกฉะ น, น, นั้นอนิจจัง ไหลเรื่อยไม่มีอะไรหยุดนิ่งอยู่กับที่ธรรมชาติทุกขังยึดมัน่นถือมั่นอะไรไม่ได้เป็นทุกเห็นผมงอแล้วก็มันไม่ใจงอแต่หัวกูหัวคนเรื่อมันก็งอเหมือนกันเนี่ยเนี่ยมันอนิจจังทางนั้นท้งเนื้อทางตัวแล้วก็ทุกคนแล้วก็ทุกอย่างยึดมัน่นถือมัน่นไม่ได้อนาตตาเราไปคิดว่าอัตตาอัตตา ไปโกงธรรมชาติของกูของกูของกูของกูเนี่ยของกูของกูขันยิ่งกว่านกเขาได้อีกนกเขาไม่มีทางสู้หรอกคนมันขันกันทั้งวันทั้งคืนนะของกูของกูของกูมีแต่ของกูเศรษฐีคนหนึ่งนอนไม่หลับอยู่บนชั้นสูงจุดได้ยินเสียงไอ้ขอทานสองคน นอนกรนกันคล้คอคล้อคล้ใครมันกรนได้ยินถึงชั้นสามชั้นสี่ขอทานเีงเรานอนไม่หลับมันเป็นเพราะอะไรส้องใชอะของกูมันมากเกินไปเงินตองเป็ดเนินจินดาเนี่เสร็จแล้วมันน่าจะเพราะ อ, อย่างนี้ก็เลยเอาเงินสองถุงตุงหนึ่งก็ทิ้งลงไปที่คนแดง ไอ้ขอทานนั้นก็ตื่นขึ้นมาต้องใช้อือใจถีกแก้วดูเอาเงนเงินเงินนอนกอดเงินเนี่ยนอนไม่หลับแล้วเมื่อข้างลก็เคยหน้าผาก็ว่าอีอกูจะเอาเงินไปทำอะไรนอนไม่หลับเลยนี้ยังไม่ว่าใจอีกโดนมีคนหนมีเหมือนกันนี่ไม่ได้ไอ้ของกูนี่พอมีล้านจะเอาสองมีสองจะเอาสาม แล้วก็ไม่กินแล้วต้นแข็งต้นมันแข็งกินดอกมันพอนกินไม่ได้ต้นมันนี่เห็นไหมเพราะไอ้ตัวหยาบพวนี้นี่คือตัวตัณหาตัณหาฉะนั้นเราต้องมีสติแล้วก็มีปัญญาสวดว่ามีสติเห็นกายในกายมีสติเห็นกายในกายกายนี้ไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลไม่ใช่ตัวไม่ใช่ต้นไม่ใช่เราไม่ใช่เขา กายนี้เป็นธรรมชาติที่เป็นอนิจจังเป็นอนัตตาเป็นสุญญาตาว่างจากตัวตนนี่ให้เห็นอย่างนั้นแหละเห็นกายไม่ใช่ได้แต่สวดให้เห็นนั่งสมาธิและพิจารณากายจักแต่ว่ากายไม่ใช่จับุปกรณตัวตนเราเกาเพราะมันเป็นอนิจจังเป็นอนัตตาเป็นสุญญาตาว่างจากตัวต น, นแล้วข้อที่สองเป็นเวทนาในเวทนา ว่าเวทนานี้ไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลตัวตนเราเขาเวทนานี้เป็นอนิจจังเป็นอนัตตาเป็นสุญญาว่างกับตัวตนสุขเวทนาก็เกิดดับทุกเวทนาก็เก mm ิด hmm. ดับโง่ก็เกิดดับเนี่ยมันเกิดดับเพราะมันไม่มีตัวตนจริงเดี๋ยมันก็เกิดอีกเดี๋ยวก็ดับอีกแดีวก็เกิดอีกเดี๋ยวก็ดับอีกมันอยู่อย่างนั้นไอ้เวทนาที่มันเกิดขึ้นมาทางตาทางหูทางจมูกลิ้นกายใจเย พอใจก็เรียกว่าเวทนาที่เป็นสุขไม่พอใจเรียกว่าเวทนาที่เป็นทุกข์ไอ้ที่มันโง่ไม่รู้ว่าอะไรเนี่ยเป็นวิเทวเวทนาที่เป็นอทุกข์กามสุขมันปนกันนี่เราต้องรู้จักเวทนาเนี่ถ้าเวทนานที่มันเกิดมาจากความเจ็บปวดเราจะตายด้วยว่าเรายังไม่ตายแต่ว่ามันเจ็บปวดโดนรถชนโดนอะไรก็จุดแล้วแต่แต่มันเกิด ทุกขเวทนาขึ้นมาภาวนาโวยเลยโวยเลยไม่ใช่กูไม่ใช่กูไม่ใช่กูไม่ใช่กูโม่มันชาเปนชาเป็นฉะนั้นเราจะต้องเตรียมพร้อมเตรียมพร้อมเวทนาที่เป็นทุกว่างว่างว่างว่างวางวางวางโอยจิตออกว่างว่างว่างวางว่างภาวนาภาวนาจนจิตหลุดออกจากกายพอจิตหลุดออกจากกายมันเป็น แยกไปอีกคนคนหนึ่งไปยืนอยู่ข้างๆแล้วก็ไม่เจ็บไม่ปวดเลยเห็นไอ้ไอ้ไอร่างกายเนี่ยมันดิ้นไปดิ้นมามันเจ็บปวดแต่ว่าจิตจะไม่เจ็บเลยนั่นรู้จักเห็นไหมรู้จักทำไห้เวทานานั้นมันมันมันระงับไม่ใช่ระงับไม่เจ็บมันเจ็บแต่ว่าผู้เจ็บไม่มีมีแต่ความเจ็บผู้เจ็บไม่มีเพราะจิตออกไปแล้ว จิตแต่มันออกไปแล้วไปดูไปยืนหัวเราะอยู่ไม่ใช่กูว่างๆเห็นไหมทำเป็นไหมอย่างนี้ต้องมีสติไม่มีสติทำไม่ได้แล้วต้องทำบ่อยๆต้องทำบ่อยๆกายก็ไม่ใช่กูไม่ใช่ของกูเวทนาก็ไม่ใช่กูยิตก็ไม่ใช่กูอีมันกูที่ไหนไหนลองคว้าก่อนมาหลวงพ่อดูที่ไม่มีทะกคนหนึ่งพรามันไม่มีตัวตนเนี่ย อันี้จิตมันมีสองจิตหนึ่งจิตโง่สองจิตฉลาดเราปฏิบัติเพื่อที่จะทําจิตให้มันฉลาดให้เห็นตามความเป็นจริงเนี่ยก็เห็นอริยสัจนั่นแหละได้เสร็จแล้วจิตโง่มันจะอยู่เหนือจิตฉลาดไม่ได้แต่ถ้าเราไม่ได้ปฏิบัติทำจิตโง่มันจะอยู่เหนือจิตฉลาดจิตฉลาดนอนนิ่งอยู่นั้นแล้วทำอะไรไม่ได้ เราต้องเพิกถอนทําจิตโง่นั้นะมันน้อยลงน้อยลงน้อยลงต่อไปจิตฉลาดมันก็ค่อยเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเราต้องภาวนาภาวนาไม่ใช่กูไม่ใช่กูกายก็ไม่ใช่กูจิตก็ไม่ใช่กูทรัพย์สมบัติก็ไม่ใช่กูเราเพียงแต่อาศัยมันชั่วคราวแค่นั้นเองนี่ต้องไม่ใช่กูนี่อย่างเดียวทีนี้ถ้าไม่ใช่กูมันยืดยา ตัวเดียวพอว่างว่างว่างวางว่ า, า, า, า, า, างตัวเดียว Kanye? คือว่างจากตัวกูของกูนั่นแหละว่างว่างจากราคะโทสะโมหะว่างจากความยึดมั่นถือมั่นอว่างตัวเดียวไม่ตมากว่างตัวเดียวอย่าขี้คลางเดินไปไหนก็ภาวนาได้ทำอะไรอยู่ก็ภาวนาได้แม้จะกินอาหารก็ภาวนาได้ภาวนาได้หมด นี่ในหมวดของเวทนามีกายมีสติเห็นกายในกายว่ากายนี้ไม่จะจัดบุคคลตัวตนเราเขากายนี้เป็นอนิจจังเป็นอนัตตาเป็นสุญญตาว่างจากตัวตนนั่งธรรมะที่เราก็พิจารณาหมดสติแล้วพิจารณากายพิจารณาเวทนาพิจารณาจิตพิจารณาธรรมธรรมธรรมที่สูงจุด เรากุตระธรรมทำที่ถูงสุดทำที่ยึดมัน่นเถ่มั่นไม่ได้อยู่เหนืออยู่เหนือโลกโลกียะนี่แปลว่าอยู่ในโลกแต่โลกุตระอยู่เหนือโลกเห็นอนิจจังเห็นอนัตตาเห็นสุญญาตาเห็นในสิ่งไหนก็ได้เห็นที่ร่างกายก็ได้เห็นที่จิตก็ได้เห็นที่เท่นผมก็ได้ที่ตรงไหนก็ได้แค่แล้วก็ยกจิต เคลืนรูปปัญญามันก็เลือกความยึดมั่นถือมันธรรมชาติมันจะเห็นธรรมชาติที่นี่มันจะอยู่กับธรรมชาติอยู่กับธรรมชาติที่สงบแต่ในเอาแล้วธรรมชาติที่ขึ้นขึ้นลงๆอย่างนี้มันไม่เอาแล้วนี่นี่จะที่เห็นทำในทำว่าทำนี้ไม่จะจัดบุคคลตัวตนเราเขาทำนี้ก็เป็นอนิจจังเป็นอนัตตาเป็นสุญญตาอวจากัวตนไม่เอาอะไรเลือกเลิอก ไม่เอาอะไรหยุดนิ่งนิ่งหยุดนิ่งนิ่งจิตเนี่ยอยู่นิ่งนิ่งไม่เอาอะไรถ้าเราไปถึงก่อนนั้นเนี่ยนั่งเท้ากลางเลยนั่งเท้ากลางอยู่นิ่งนิอยู่นิ่งนิ่งอยู่นิ่งนิ่งกางนอกเคลื่อนไหวก็เคลื่อนไหวไปดิแต่ข้างในสงบกางในสงบเย็นาปนอกเคลื่อนไหวไปในสงบเย็นอยู่นิ่งนอยู่ เลิกยึดมั่นเกี่ยวมั่นมีอยู่ก็มีแล้วใครจะมาเอาไปไหนนั่นวะตามปาจาสัมมัดมันมีอยู่มีเงินมีตองมีข้ามีทองมีบ้านมีช่องแล้วก็มันมีกฎหมายมีอะไรอยู่แล้วมันมนทำอะไรไม่ได้แต่มีไว้เพื่อทำมาหากินเพื่ออยู่เพื่ออาชีพแค่นั้นเองแล้วไม่ต้องออกมาแบ่งเนี่ยนอนเงินอยู่ในธนาคารก็ยังออกมาแบกอีก ดูกขึ้นก็แคกก็แค ก, กดูธมรมทนาการก็แกกก็แคกแหวนเพชรวงนั้นหายไปไหนไม่เห็นหนานเลยคุยเรื่อเพชมาดีต้องหูเอาใจดูแหวนเปชรลองดูนี่อยู่องนะยึดมั่นถือมันจะไม่ต้องนอนไม่ต้องหลับกันนี่ไเรื่องตัวกูของกูนั่นแหละ นี่ลองคิดดูพอเอาแหวนเพชร ม, มาถึงก็ใส่ใส่เนิ้วนางใช่แล้วมันอะไรเนี่ยไอ้ที่กลางอะไรนี่มันมีอะไรวะโอกระดูดรอยแหวนให้กระดูผีชัดๆัดเลยดูเลยผีชัดๆเลยรอยแหวนให้กระดู ก, ด เ, ดด เ, ก, ดกเอาเอาสอร้อยคอเป็นมุกราคาแพงเอามาใส่เอาเนื้อออกหมดเหลือแต่กระดู เลือดจากกระดูกต้นคอไม่ไหวไม่ไหวยไม่ไหวเนี่ยเวลาเห็นก็าใสเขาใสชอใใ้อยคอใสเป็ดใสพลอยใสอะไรเหมือนกับแขวนไอ้ผีอย่างนั้นเพราะมันมีแต่กระดูกนี่ถ้าแขวนไอ้กระดูกให้มันสวยไหมเราเอาเนื้อออกเราแขวนตัวของเราเองเนี่ยเราเอาเนื้อออกให้หมดเลยน่าเนียวิปัสนาเลยเอาเนื้อออกให้หมดก็แขวนเแล้ว กระดูกกระเลยขอยปลาลามาติดอยู่ที่กระดูกหอยปลาลาอันโน้นก็กระดูกคออันนี้ก็กระดูกขามมันสวยตรงไหนก็ไม่รู้นี่เห็นแก้งอย่างนี้ก็เรียกว่าเห็นแจ้งเห็นตามความจริงจากนั้นมันจึงจะเบื่อหน่ายไม่อยนั้นมันมันไม่เบื่อหน่ายเรามันเอาแต่สวยสวยสวยสวยสวยลูเยวเอาก็ก้าสังคนด่าใครจาได้เลยอยากเก้าไปยึดมั่นเดีวมั่น นี่อย่างนั้นเนี่มีสเหกลทำเลยทำต้องเห็นอย่างนั้นดังนั้นทุกข้อเละอริยมรรคไม่โอ้แฝกโยมจะต้องสวดทุกวันเกินไหนไม่สวดอริยมรรคเกินนั้นผีจะหลอกผีอะไรจะผีกิเลสนั่นแหละผีกิเลสเนะี่ยมันมันหลอกเราอทีนี้ตายดีกว่านั้นสวด โน่นธรรมจักรกับวัฒนสูตรแปล่พอตรวจแปลเสร็จก็ยิ่งข้าใจใยิ่งข้าใจกันนั้นเราต้องทำความข้าใจกันอน๋อนี่บอบอแค่นี้บอกว่าให้มาดูเฉลยเสร็จแล้วมาฟังเดีย๋ยวเอาดูเฉลยเตรียมพร้อมในยามหน้าหนาวตุนสไวด์ของ อืม mm hmm. ป็นประมาณแสิบานาทีมีเด็กนักเรียนเขาก็ไปชมกันด mm. ้วยเจอเราพ่อมาดีก็เลยจักรุ๊ปกันจับจกรุ๊ปกันตัวเล็กเด็กแดงดูเรื่องกนั้นอย่างแตรงนั้นก็น่าสงสารคนียากจนยากจนลบาก โยงไปถึงยินเดียรวยทันทีเลยแต่พอกลับมาเมืองไทจนหมดเพรงานจนปบเดิม สอนเด็กสอนเด็กนกักเรียนเขาเห็นหลวพ่อเขยกมือไหว้เรื่อนมากพระรอเห็นอลวงพ่อตพระที่ไม่มีตัวกูของกูมากเกินไปเขาก็จะยกมือไหว้แต่พระบางองค์ก็ผ่านผ่านผ่านกันนั้นเลยไม่สนใจใครเป็นใครตัวกูมากเราพูดแต่ว่าจะไม่พูดด้วยก็ไม่เป็นไรหรอก สาสมอาจัรตาแอนโร่าเป็นลูกหลอกมาพ้อบสประมาณทับสามร้อยหลังพระพุทธเจ้าไปุ่านมีพระที่อยู่ทางใต้เออรัฐมหาราช ก็ไปหาที่ดูใหมส่วนพระอื่นๆที่เหลืออยู่ก็อยู่ทางเหนือของประเทศอ่ินเดียที่นอกนั้นก็ปล่อยกันถึงที่เบย์ปล่อยโน้นปล่อยจนแยกแยกกันไปแยกกันไปจนเป็นมหายาณแยกกันไปแต่จะเป็นมหายาณนี้นะญานของพระพุทธเจ้าองค์เดียวกันการปฏิบัติก็เพื่อความกุกล่อมเท่านั้น ว่ในประเทศจีนใต้หวานเอาหลีใต้เกาหลีเหนือมเอมันเป็นกองเอาห า, เอาหลีใต้แล้ว เ, เอาญี่ปุ่นนี่คือแบบมหายานเพราะเพื่อควา ม, มยุ่ิธนอมนช่ไหมถึงจะเป็นยินญาณหรืมหาญาณแต่ว่าของยินญาณก็หนักในเรื่องภาคพิษาีมากแต่ถ้าของมหายาน ไปที่ที่เปต์สู้วัดกันทั้งวันทั้งคืนไม่ต้องทําอะไรเลยสูวดกันอยู่นะสู้วัดสูวดสู้วัดเราขึ้นไปเยี่ยงบนยอดเขาของขึ้นแสนที่จะยากต้องขี่ม้าไปขี่ไปขี่ม้าไปเจาก้กนเดินดี ก, กว่าตจงสานม้าเดินไปจนถึงพระคนนั่งชวนชวนชวนที่จะทักถามอะไรไม่มีเลย ไม่พูดก <ir> voilà ับใครส่วนรูปเดียวพระประเทศนั้นก็อยู่กันอย่างนั้นทีนี้ถ้าโยมอะโยมที่ไม่ช่วยหมุนอย่างเดียวมีรักรรอตรงกี่ไว้กี่ใบลงไปเก่งม้นมนมุนมนหมุนเป็นเสียงดังหมุนรักรรมรอบหนึ่งเท่ากับอ่านพระใจดปิฎกเที่ยวนึงแหมมันเก่งขนาดนั้นเลยทีนี้ไอพี่ก็เก่งนะก็หมุนอย่างนี้ที่หมน หมุนอย่างนี้หมุนอย่างนี้กอนหมุนรอบหนึ่งคือพระเจดยียดกเดินเที่ยวได้ยังไอยไนี่ยมันจะได้อยา่างไงอ่านพระเจดยียดกรู้เอามาปฏิบัติเพื่อความบริสุท์แลไปหมุนกันอยู่อย่างนั้นที่เคยที่เป็นได้ตรงไหนที่ที่เบ็ไปนี่ทองมี้ะป็แล้วตายชักทองแล้วที่เบ็ที่เบ็ดนีท่ทีนี้ทำมาอย่างนั้นรอบรอยจะมี มีก้อนหินเล็กๆอย่างเาข้อมือเท่าเท่าแง้งนีออกไปเรี้ยงเลียงเลียงท่าก็สร้างใจดีแล้วท่านสร้างใจดีก็ท่านที่เบลต่อพ่อก็ไปที่เบไปทีนไปตามหาร่องรอยว่ามีพระรารายที่ในบ้านแต่ในประเทศอีเนี่ยจะมีสัญลักษณ์คือชนตางความว่างเนี่ยใจะมาก ไปที่อาไม่จะไม่ควรจิตนต์เพรเห็นมีวงกลมมีอะไรเป็นสัญลักษณ์ที่ถ้าเป็นวงกลมเป็นสัญลักษณ์อะไรอย่างนี้เราก็รู้แล้วว่านั่นคือสัญลักษณ์ของสุญญตาแต่ว่าคนก็ไม่รู้เนี่คนไม่รู้เนี่ยเดี๋ยวถ้าไม่ปฏิบัติจะไม่รู้ว่าสุญญตาคืออะไรแต่สุญญตานเราจะรู้ได้ต้องปฏิบัติในการปฏิบัติต้องเห็นงานนิดหนึง เ็นทุกข์ขำเอนอนุตาแล้วก็ขึ้นถึงยอดขึ้นสัญญ า, าสิ่งทั้งปวงว่างจากัวตั ว, ตวอ า, ากาศมันร้อนทนั้งเล็กเดินก็ไรว่าถงควรขึ้นขึ้นลงลง ที่หน้าถ้านั้นก็เลยขึ้นกระหนามให้แก <S an accent> ่กระหนาม้าแก่คเราไปติ้งในรอหน้าโนก็เลยจับแน่นแน่ไม่ได้แก่ก็ไว้ใจไม่ได้พอตอนขาลงมันก็พูดนะทิพๆิพพูดได้แต่ว่าทิบๆๆพเราก็ทําความไม่ถูกเดีวมั้ง เรายิงได้เล่เพราะว่าเราไม่เหนื่อยแก่กอไม่เหนื่อยก็มันจะเอาเงินก็สี่รูปีก็ไม่รู้ไม่ถจากหกร้อยบาทปมาณหกร้อยบาทเนี่ยเนี่เขาเดินพร้อมพร้อมพร้อมแต่ไม่ใชที่เรียบนะจะขึ้นบันไดเราไม่ต้องนับเงินจ้องปึ๊บปึ๊บปึ๊บเออมันชานาญจริง ท่านก็ไปข้าไห้ปวดท่านเะนี่ปวดเป็นสลักแบบพุทธรูปสลักเป็นเจดีย์ D, เป็นผู้แบบพุทธรูปอะไรต่างๆนา น, นาเต็มไปหมดเลยนะั่นที่เราเห็นนะั่นแะเป็นท่ามทางนั้นถ่าโยโดยทวนโรนเป็นท่ามทางนั้นเพราะไม่ได้ให้เราดูทุกท่ามสงสัยว่าบางท่ามคงจะมีสมบัติเขาอาจจะไป็แยกของบัองเราเลย นได้ทังนั้นในกาหนา ม, นามนแต่ว่าทไมเงินก่อาไมมีเงินจะขึ้นเดนนี่แหละเป็นถ้ำางจับเขาพูดเข้าไปนะเนี่ยข้างไหนว้างกวางกอนก็มา ก, กว่านั้นันชักจะรู้กันเลว่ากกว่ า, า พ, วพวกแกคนไทยก็มีแต่พวกเราคนไทยรู้แต่ว่า กาเสียที่ประจูที่ประรูปที่บริปานที่แต่ดรธรรมจกคนใทรู้แค่นั้นหรือคนที่ชอบสบายหน่อยก็ออกไปเดียวไม่ไปไม่ไปลำบากเดี๋ยวนี้ดีไอพีด่านต่อภากวีไีช่วงกวีไอพีอ่านการกินจะเาีไีได้กันนั้นเดยมีเงนลูกเดียวสบายมาก แต่ว่าเราไปสบายอย่างนี้ย้ายมันสบายมากเกินไปเอาพอดีพอดีอดแลก็ไปครั้งที่ที่ผ่านมานู้ไปก็ไปบรรยายด้วยแล้วเอาหาทุนไปถวายพระที่บาราณสีกับพระที่ประเทศไทยอย่างแตงปฐุรูปฐูกรรมเปดูไปเรียนหนังสือเงินก็ไม่มีไม่พออะไรก็ช่วยท่าน ไปเรียนท่านไปเรียนท่านไอ้พให้ทุนการศึกษาเกือสองแสนไอ้ไปตาอยู่สองสามวันที่รุงเทพเขาให้ใหุ้นพระ่ตุนแม่ชีให้ตุนเด็กวัดไอ้มดถามพระไปก่อนว่า มีพระกีรูปมีพระดานั้นเดานั้นมีชีเดานั้นมีเด็กว่าัด่านั้นบอกพ่อเกือบจะโผล่ออกไปว่าเรมาม้ามีกี่ตัวไอหมานูใกล้หน่อย พุทธรูปตอนนี้ก็จะเป็นตอนปริมิตพานเพราะมีพระสาวกต่านร้องไห้ก็พระอนุนั่นแหละท่า น, น, นร้องไห้ก็พระอานุนท่านได้แก้พระโสดาบันเองก็พระพุทธเจ้าปริมิตพานก็ร้องไห้ ขอข้างหน้าด้านหน้าทีนี้พระองค์บาลีนิพพานเนี่ยนี่คือเหลือแต่เปลือกนะเหลือแต่เปลือกที่บาลีนิพพานนี่ส่วนเนื้อในของพระองค์คือสุญญตาความว่างความว่างจิตของพระองค์เป็นความว่างเราปฏิบัติเราก็ถึงจิตว่างจิตที่ไม่จิตมัน่นถือมั่นอะไรดังนั้นแม้แต่ในตัวจิตเองก็ไม่เข้าไปยิตมั่นถึงมั น, มนแต่ร่างกายเขาไปตาม เรื่องของร่างกายเป็นธรรมชาติจิตก็เป็นธรรมชาติร่างกายก็เป็นธรรมชาติเราปฏิบัติเพื่อที่จะให้จิตเข้าสู่ธรรมชาติคืออยู่เหนือนิจังทุกขังอนัตตาจิตนั้นก็เลยเห็นอ น, นิจังทุกขังอ น, นัตตานี่เพราะฉะนั้นเราอย่าไปหลงมุมกลงมุมไม่ได้ ต้องปฏิบัติตามอริยมรูปแปลงถ้าเราปฏิบัติตามาริยมรูปแปลงตอนนั้นผ็ไม่กลัวเกิดไม่กลัวแก่ไม่กลัวเจ็บไม่กลัวตายก็เกิดความรู้สึกว่าตัวกูนี่มันจะค่อยๆหมดไปหมดไปหมดไปแล้วเราก็ภาวนาไม่ใจกูไม่ใจกูไม่ใจกูแล้วภาวนาไปตัวเดียวก็ว่างว่างวางว่างว่าคือว่างจากตัวกูนั่นแหละเพราะเห็นว่าว่างจากตัวกระทำไปจนเป็นนิสัยเลย แตกก็ไม่เจ็กูเจ็บก็ไม่เจ็กูตายก็ไม่เจ็กูว่าดูตัวเองในกระจกเขาท่องกคาถาว่ามาว่าคาษานี้ดีมากดีมากผีก็หลอกไม่ได้อย่าว่าคนเลยียังหลอกไม่ได้เลยวันหนึ่งหลองพ่อนอนอยู่ที่ปกตินอนแล้วอนมะันพอนอนเสร็จแล้วเขาก็ปรื้อตาตานี้เลยทีนี้ก็เปิดมองรกรอาไวา้ ดำมาที่กี่มงกี่วันนะ่นะดำกว่าตัวดำมาถึงหตะคุกหลวงพ่อกั้คนทั้งปีว่าหมดมันมีอะไรเลยนี่เนี่ยมันไม่มีอะไรอย่าไปกลัวแต่นั้นความแก่ความเจ็บความตายความเกิดความรู้จิพอไม่ใช่ตัวคูนอดไม่มีอะไรเหลือนี่สบานได้อย่างนั้นมันเบาเบ า, บาอยู่ด้วยความไม่ทุกข์เมื่อเราไม่ทุกข์อยู่คนเดียวเราไหมเราไม่แจกให้คนอื่นบ้างเหอนี่ สงสารเขาที่เขามีความทุกขที่หลวงพ่อหลวงอเคยบอกว่สงพ่อหนูมาจากภูเก็ตได้อยู่ตะมากินอะไรอยู่ภูเก็ตเอหนูก็ทําอะไรเป็นเจ้าของโรงแรมแต่ว่านี่เป็นมะรงอาทิตย์านจิตเอาไว้นี่ได้อ่านหนังสือหลวงพ่ออยู่กับจิตว่าเสร็จแล้วมันจะตายก็ตายไปเถอะขอได้มากราบหลวงพ่อแต่ครั้งหนึ่งนี่ถึงขนาดนั้น หอกลับแล้วต่อต่อคน15วันโทรไปเลี้ยงครั้งหนึ่งหรือว่าประมาณอย่างมากกว่เดือนหนึ่งโทไปครั้งหนึ่งไล้วก็มีกําลังใจมีกําลังดูมาได้ต่างหลายูดืันทีหลังพ่อพ่อเสียชีวิตสามีก็เลยโทรมบอกวันนั้นก็กลับจากทวนอินดีทะเลของพงแม่ของคุณประเสริฐพอดีโทมาได้รถหนึงเพรเดี๋ยวเดี๋ยวก่อ เขาก็เลยบอกว่านี่ตอนนี้เสียชีวิตแล้วก่อนที่เสียชีวิตนี่ปวดท้องปวดท้องปวดท้องไม่รู้ว่าคนตายมันปวดท้องคนตายลําไส้นะลำไส้มันจะขดเข้าไปที่สะดือตรงนั้นขดเข้าไปขดเข้าไปขดเข้าไปขดเข้าไปนี่นันจะว่ามันจะมันมันทำปฏิกิริยารอแตนแล้วกด ปวดตัวต้องมากปวดต้องมากโวเยยกขึ้นมาให้นะตอนั่งเองจะบกว่าโอ้ในตาเพ่งอะไรที่หัวเตี้ยอะไรที่ปลายเตี้ยอะไรเพ่งจนตาจะหล่นออกมาแไม่เห็นอะไรก็ไม่ชัดบอกมาใ้ไป่ได้เห็นหรอกตอนนี้ประสาทตามันกําลังที่จะหยุดทํางานแล้วมันก็เลยไวลอบอกไปอย่างนั้นทีนี้เราจะได้ยินว่า คนแก่เนอร์เวลายายตายนะด้วยติดตายยายด้วยเพราะว่าเวลามันพิ้งคนตาตะล้นออกมาแต่มันหลักฐานไม่ได้นีโยมต้องร่วมา่าเล่นเล็ก น, น้อยๆ อ, อย่างนี้เลยไ ม, อยอยอยมอย่อย่างนั้นพี่คิดว่าเองพผีเห็นกลงเห็นนั่นเห็นผมว่ากันไปตามคนที่คิดมัน่นเถื่อมั่นในาทางจริงไม่ใช่ที่มันเป็นอย่างนี้ จะหลักเหงที่อยู่ในท้องเลยนอนไปลูกหา น, นอนสง อ, อยู่กับความสงบสงบสงบสงบสงบไม่โอ้แรงอยู่กับความสมงบจังเดยวดัง น, นั้นเี๋ยราจะตายเราต้องตายให้เป็นตายเป็นยังไง ไม่ปฏิบัติจะตายเป็นกรงทํางานทุกชนนิดด้วยจิดว่าก็คือว่างจากตัวกูหน่อยยกผลงานให้ความว่างทุกอย่างจริงมันก็ได้ตัวเองเนี่ยไม่ต้องไปยึดมั่นเองมั่งกินอาหารของความว่างอย่างประจิบกินว่างว่างอร่อยก็เกิดดับว่างจากตัวตนไม่อร่อยก็เกิดดับว่างจากตัวตนกินอาหารของความว่างอย่างประจิบ ตายเสร็จขึ้นแล้วในตัวแต่เวดไม่ใช่คูไม่ใช่คูคว่าว่าว่าว่างว่ากันโอ้โแล้วใครมันจะตายล่ะนะฮแต่มันว่ากันโอ้โอย่างนั้นเดี๋ยวคนตายก่อนตายเราปฏิบัติให้มันตายีก่อนตายนั่นแหละนอกนั้นเหลือเหลือจะกําไรมีแต่กำไรเท่านั้นเลยนีนย่ที่เอามาพูดระยงความมีไม่ใช่ตูนมนันนะ ก, กาไรดังนั้นกําไรที่ได้มา ราะนั้นเราต้องตายแค่ก่อนตายตายตายหลังตายไม่ได้ตายก่อนตาย ถ้ำ น, นีก็จะทำเป็นโครงกระดูกเรือเน่ยไ้ห ม, มกระดูกเรือทีนี้เราที่อยู่ข้างล่างเหมือนกำลําเรือเรืออะไรเรืออาดิ亚马กมีองแปลธรรมาทิตติธรมาฉังกับโกธรร ม, มาวาจาธ ม, มาคำมันโตธรมะอาจิวะ ม, มาวายามโามะรมะตะกีสรมาส ม, มาทิตติอาดิ亚กมีองแปน่ 8. ต้องพร้อมนั่งไปในเรือ ไปไหนไปประเทศญี่ปุ่น mm hmm. ก็จะมีหิงคยๆกรเรืออย่างนั้นนะเทรายเขาตันเขาแคกว่าเขาถามสวนเส่งทีนี้ก็เรือวิ่งไปในหมหาสมุทรก็คือทราเยเขาทาให้เป็นคลิ่นแล้วไปฝั่งโน้นฝั่งโน้นคืออะไรคือประเทศ่ป่น mm hmm. ไปปรน่นทีนี้หลวพ่อก็ถามเขา เขบอกพูดภาษาอังกฤษก็โยมก็แปลเขาบอกว่านี่เรือลํานี้ไปฝั่งโน้นไปทําะไรไปเอาสมบัติอ๋อเนี่แต่ไม่ไปก็ในเรื่องอันเดิมไปเอาสมบัติตามที่คริร่างกายเรานี่แหละเป็นเรือลำเด้งแหมเราก็พยายามปฏิบัติทอดไปพายไปทอไปพายไป หายมันถึงของโน้ตเอ็นี่เป็นภาพปริศนาธรรมของของไทยเนยวันสมุทคอยมีภาพ่หนึง่งบุรุษคนหนึง่งมีโจน่าคนวิ่งมาทําร้ายมาเป็นแถวห้าคนคือใครห้าคนคือสิ่งที่เราเข้าไปยึดถือนั่นแหละรูปเป็นกูเวทนาเป็นของกูฉัญญาของกูสัน ข, นขันของกูวิญญาณของกู ไปเอาผันหน้านั่นแหละมาเป็นตัวภูของปูนายก็น้ก็วิ่งวิ่งหนีวิ่งวิ่งหนีโจหน้านนั่นแหละที่มาตํางร้านก็คือปาาาูพัฒนาการทางน้ำรูปเรีนาสัญญาดังขารยู่กานที่เราเข้าไปยึดถือทนี้พอไปถึงเจอกับแม่น้ำในแม่น้ำนั้นก็มีศพน่าศพหนึ่งลอยมา พอรามาก็กดไปโจนไปที่ศกนาวแล้วก็เอามือทางจัปุยน้ำไปฝั่งโน้ก็คือฝนนั่งปนิพันธ์เพราะฉะนั้นพวกเราเนี่ ย, ยนี่ายนาวเป็นๆอนู่มันกนาวที่เป็นเหมื่นี่มันก็นาเห็นไห ม, มก็เมป่าก็เหม็นขาโมก็เหม็นข้อเท้านือใครก็เหม็นมันมีแต่เหม็นทังนั้นเลยกายนาวนี่คือกายนาว แต่นั้นเราต้องขี่กายเน่าขี่กายเน่าไปหน่อยไปคว่างโน้นคว่างที่มันไม่มีความทุกข์เราต้องหนีโจหน้าคนหนีรูปไม่ใช่ของอูเวทนาเกิดดับหว่างจากตัวตนสัญญาัิญารติญาติเกิดดับว่างจากตัว ต, วตนนั่นหนีโจหน้าคน พันพันปีแล้วทํำยังไงบางทีเขา ก, ก, ก็ถูกทำลายนี่แหพกที่ทําลายมันมีแน่แต่พระพุทธเจ้าที่ก็ทาภาพนี้แหละนี่สแสดงเห็นว่าเมื่อปฏิบัติต า, ามอริยมรักษใน อ, องค์แปรูปอย่างว่าเมื่อเราปฏิบัติต า, ามอริยมรักษใอองค์แปดจะต้เห็นอริยสัจสี่ทุกเป็นอย่างนี้อย่างนี้ตอกนิ้วจิตน ทุกเป็นอย่างนี้อย่างนี้ทุกเป็นสิ่งที่เราควรกำหนดรู้ทุกเรากำหนดรู้ได้แล้วมีเราองค์ปฏิบัติปัจิบัติแล้วก็แสดงให้อ่ปัญจวัคคีย์แล้วกท่านเห็นแล้วก็ท่านฟังแล้กท่านปฏิบัติทุกเป็นอย่างนี้อย่างนี้ทุกเป็นสิ่งที่เราควรกำหนดรู้ทุกเรากำหนดรู้ได้แล้วแตถามอีกว่าทุกคืออะไร ทุกขก็คือปัญหานั่นแหละที่เราเรียนปัญหานั่นนหละคือทุกแล้วนี่ปัญหาของเราปัญหาเรื่องอะไรมันมาจากเรื่องอะไรเพราะฉะนั้นทุกข์เป็นผลมันก็มาจากนี้เอได้เกิดทุกข์เป็นอย่างนี้อย่างนี้เอได้เกิดทุกข์เป็นจริงแค่เราควรรักเอได้เกิดทุกข์เราลัได้แล้วนี่อย่างนั้นได้แล้ว ทุกเป็นอย่างนี้อย่างนี้ทุกเป็นสิ่งที่เราควรกำลังรู้ทุกเรากำลังรู้ได้แล้วเอได้เกิดทุกเป็นอย่างนี้อย่างนี้เได้เกิดทุกเป็นสิ่งที่เราควรละเอไดเกิดทุกเรารักได้แล้วทีนี้พอไปข้อที่สาความดับทุกเป็นอย่างนี้อย่างนี้คือนิโรดนิโรดเป็นอย่างนี้อย่างนี้นิโรดเป็นสิ่งที่เราควรทําให้แก่นิโรดเราทําให้เก้ได้แล้วได้ไหม นี้พอไปสุดท้ายอาดิยมักในองแผงธรรมาที่สี่ธรรมะกันตะโพธมาวาจารธรรมะธมัญโทธรรมะจีโวธรรมาวายโมธรรมะตะศีธรรมะธมะทีอาิยมักในองแผงเป็นอย่างนี้อย่างนี้อรดิยมักในองแผงเป็นสิ่งที่เราควรปฏิบัติให้เกิดนี้อรดิยมักในองแผงเราปฏิบัติให้เกิดมีได้แล้วฉังนั้นทุกอย่าง มันมีผลและก็มีเหตุมีผลและก็มีเหตุทุกเป็นผลเหตุเกิดทุกเป็นเหตุความดับทุกมีโรคเป็นผลอริยมรรคมนองค์แปที่เราปฏิบัติเป็นเหตุนะนะเหตุที่ตาให้เกิดทุกถ้าเราไม่ปฏิบัติหรืเราปฏิบัติผีดมันก็มีความทุกผลออกมาเป็นทุกทีนี้ความดับทุก เราปฏิบัติธารมะเรียา ม, ามัยกมวยมวยองแปรแล้วเราก็ได้ผลมาเป็นนิโรธพอได้เป็นนิโรธแล้วเราต้องใช้ใเป็นที่เอานิโรธนี้แหละไปดับที่ A ให้เกิดทุกตัวที่สองอดับที่ตัวนี้เกิดทุก A ให้เกิดทุก A ให้เกิดทุก A มันดับไอตัวทุกคือผลมันก็อยู่ได้ยังไงมันก็ดับมันก็ดับดังนั้นนี่เราจะต้องเข้าใจว่าอาลีสัจสีเป็นอย่างนี้อย่างนี้ อรียสสตีนี่เราจะต้องศึกษาเราจะต้องปฏิบัติเราต้องสวดเราต้องภาวนาแล้วเราจะต้องคิดเราจะต้องภาวนาให้เห็นตามความเป็นจริงมิสัมมาทิฏฐิมีความเห็นอันถูกต้องเห็นด้วยตาปัญญาไม่จะเห็นกับตาเนื้อไจะเห็นกับหนังสือเห็นกับตาปัญญาเห็นอาเรียสสตีจะ ไ, ได้ปัญญาัเห็น ไม่ใชตาเนื้อเห็นตาเนื้อเห็นเจ้าเสือแดงๆกัดช็อกแล้วแต่ตาปัญญาเห็นทุกเป็นอย่างนี้อย่างนี้เนี่ได้เกิดทุกเป็นอย่างนี้อย่างนี้ความดับทุกปัญญานอย่างนี้ตั้งให้ถึงความดับทุกเป็นอย่างนี้อย่างนี้เราพระพุทธเจ้าประเสริฐตรัสย่อๆที่เราจะจะรู้ไม่มีเรื่องอื่นเลยนี่จะเรื่องทุกกับเรื่องความดับทุกนี่มันมีท่าไหรนที่พระาโกมาขยายนขยายขยายที่ให้เราเข้าใจดังนี้ เป็นรูอะไ ร, อรก็ไม่สามารถที่จะอนุอลักษณะของดอกม้ด้วยปฏิจจสมุ ป, ปบาทก็ไม่ใช่เพราะรอมันไม่มีตัวละครจากนั้นก็เอาสวยๆนํามาทีนี้อีกอย่างหนึ่งก็เราจะเอาไม่ได้ก็คือดอกบัวบานดอกบัวบานนี่คือเนี่ยพุทโอพุทโอพุทโอพุทโอถ้าเราปฏิบัติให้ดอกบัวคือทิตมันบาลานถึงที่สุด ไม่สามารถที่จะให้ความทุกข์มันเหยียดเยียดเราได้นั่แหลเราฟัวภายในเรามันบานแล้วได้ กเป็นพระสัตรต้ลงพ่อกา้ใจเองแท้จริงยังไงไม่ทราบพระรูปนี้ท่านรู้อดีศัตศิ์สิรรู้อนาคตรู้ปฏิตรมปปรมาุปบาทท่านกรเลอยวางแผงเพราะว่าท่านอาจจะได้พระธาตุของพระพุทธเจ้ามาไม่รู้จะไหว้ที่ตรงหนท่านบริสกัดเป็นพระสัตร อาจจะโจารูที่ตรงกลางแล้วก็ยอนลงไปแล้วก็เอาก้อนหิน อ, อะไรไปกิดแต่เขาก็ไม่ได้เขียนอะไรวะนี่ความรู้สึกของหลวงพ่อเป็นอย่างนั้นเพราะว่าตอนหนึ่งเมื่อพระเดชพระคุณท่านอาจารย์พุตธท ธ, ธาเสียชีวิตพอที่เสียชีวิตท่านบอกว่าจะดูองค์ท่านจะเอาไปไหนเลยนี่แนี้พอถึงวันที่จะทำเจ้ปนักจิจบของท่าน เไปไปที่นี้เขาเริ่มที่าการหาศพท่านแล้วศของทานมีพระรูปนึช่วพระบัญญัติอยู่จังหวัดขอแก่งท่าเอ า, เอาไอ้ไม้อไอม้อะไรราบไม้ที่มันคล้ายก็เป็นธรรมม า, านั้นเอาไปถว า, ายท่านแต่ท่านคนนั้นคนธรรมมาตนั้น เนี๋ยวนจะพอแสดงทำที่นั้นบ่อยๆที่หินโค้งอะไรต่างๆไปไอ้พอเวลาจะทำศพของกันก็เลยเอาศพนั่นแหละมาวางที่ตรงนั้นมาวางที่ตรงนั้นก็ถึงเวลาที่จะอามศพขึ้นบนภูเขาพุทธองอย่าว่าภูเขาพุทธองภูเขาเดี้ยีที่อยู่กลางวัดจะเอาไปทําจาประกิจที่ตรงนั้น เรก็เรียกชื่อกันฟาลูบนัน้นรูบนั้นรูบนั้นรูปที่หนึ่งที่สอทีอาา่สามที่สีที่ห้าถึงเท่าไรก็มาดูไอเราไปยืนฮึอย่างนั้นวาที่เราก็เป็นลูกศิษคนหนึงี่กล้าษย์ท่านที่ส่วนแต่ทาไมมันลืมเราก็ลืมามันสายูขึ้นเอกก็ได้จจนี่พอขึน้นวันมอขึ้นไปถึงเป็นยังไรเดียวกดจับจังอร่อยดูเท้าวปเทยียบน่านิ่มเป็นน้ำโอ้ น้ำเหลืองน้ำเลือดของท่านคิดได้ท oh ีนี้โอ้ท่านอาจารย์ท่านบอกว่าเหาอะไรไปเหงากระดูกของท่านไปบอกวเลยบอกพระที่ไปแล้วก um ันค huh ุณไปเอาสบกรได้างที่วัวกรด้ที่เขาไม่ใช้แล้วออกมาเช็คนี่น้าเลือดน้าหนองของท่านนี่ออกมาเช็คเช็คเสร็จแล้วก็พอจะหาไปก็คุมไม่อยาจนช็ พอเร็แล้วเอเส็จเสรก็ลงมากลาลังลมากางหลงวิ่งคูนแล้วผาที่เช็ดน้ำเหลืองทนอาจารย์พุทธดเอาไว้ไหนลผมมากทิ้งไปเอาไม่ใช่ผมอยเอากลับวัดเอ้าริงจะแล้วไปเก็บมาพอเก็บมาหลวงพ่อก็เลยเอาจากวัดใสยามไปใสสมบัติไปถึงก็ตามนันก็ตากเดดมันจะเป็นด hey. วงเป็นดวงเป็นดวงหลวอก็ดมดูมันไม่เหม็น ไม่เหม็นก็มียองก็มาทำงานหลวงพ่อถามคน เ, เชือดหน้ายอมหน้าดมดูที่นี่อะไรที่มันเปื้อนยอมหน้านี่น้า ม, มันขนมเดินสิบที่ก็ทอดแต่หลวงพ่ออก่อไม่ใช่นี่แหละน้ำเหลืองท่านอาจารย์พุทธทามีกลิ่นหอมมีกลิ่นหอมนี่หลวงพ่อขอเก็บไหว้มาดีไปๆมาๆมาก็เลยสั่ สางนะคสั่โกะไปที่กาแพงเพ็รเขารู้จึงเป็นจากโกโมงห้าเขามาใส่ไว้ในถ้นแล้วเขาหลวงพ่อจะใส่ทองเหลืองไว้กว่านี่ยเอาปัญจุวนฉนั้นหง่อเลยคิดว่านี่มันต้องอย่างนี้เรื่องนี้มันต้องอย่างนี้ไม่เป็นอย่างอื่นเลยเราคมได้สมบัติมาจากเช้นเด่งของพระพุทธเจ้าและก็เอาใส่ในในนี้แหละในเจดีย์หร ด้นีเปลี่ยนอะไรก็ไมมีความรู้สึกว่าอย่างนั้นแต่ว่าคงแน่นอนคงแน่นอนบุวรรู้ขนาดถึงอริยสั์แล้วแต่ท่านจะไม่ทำเงนินไคงได้ของดีมาหน ศาสนาเจนศาสนาอินดูศาสนาอิสลามคือเราต้องศึกษาโดยอย่าไปรังเกยียจศาสนาไหนเลยศาสนาไหนเราก็ต้องศึกษาศึกษาศึกษาหลพ่อไปต่างประเทศเนี่ยหลวงพะจะศึกษาตั้งแต่ยังไม่ลงจากเครื่องบ so ินคิดว่าเ อ, อ๊ะทำไมยอดเขานี่มันขาวขาวขาวอ้าวเพราะว่ามันไปคลุมที่มันจึงขาว าต้องดูดูด huh. ูศึกษาต้องศึกษาทำนั้นไม่ศึกษานลยะไม่ได้ทำไรที่ต้ไปไม่ศึกษาเนี่เราอยากคิดว่าศึกษาหมาวิทยาลัยมันแค่อะไรเนี่ก็มันกั้นกาแพงเอาไว้อย่าอยู่แต่ในรั้วหมาวิทยาลัยโลกนี้แหละเป็นหมาวิทยาลัยฉันแบบเราเราอย่าเสียใจว่าเราไม่ได้เรียนหมาวิทยาลัยโลกนี้เป็นหมาวิทยาลัยเราไปตรงไหนเราก็ศึกษาศึกษาศึกษา ที่หลวงพ่อจะไปเองแล้วเดือนเมสารไปนู้นไปสวิตเซอร์แลนด์ไปที่ไหนที่จีก็สามครั้งแล้วไปที่จีไปนิซีแลนด์ไปญี่ปุ่นไปอ่าอะไรไปต า, าได้เก า, ายู่ใต้แล้วก็ไปที่เวดอินเดียนะนัไปตัวแรกด้วย แ, แล้วตอนนีก่อนยายที่มั่ง อยากที่ไปไนดะ้ไปทำอะกันไดนน้ไปศึกษามันจะไปเที่ยวไปศึกษาเพราะว่าเราไปเกี่ยวว่ามันป็น่รว่าเราไปศึกษานี่จัตนาเจนอ่ะโค น, นับถือจัตนาเจนเหมือนกันเวลาข้าไปในห้องน้ำมรต้องแก้ผ้าหมด น, นั่นแหละจัตนาเจนแลว เขาไม่นุ่งผ้าถ้ายังนุ่งผ้าอยู่เขาบอกว่ายัางมีกิเลสอยู่เขาก็เลยเปลืองผ้ากิรชิชช้นกิรชิ้นกิรชิ้นพอเคลืองออกหมดเป็นยังไงทีนี้เนี่ยเป็นอย่างนี้ให้รูปนี้สวยที่สุดสวยที่สุดในสมบูรแต่แต่ละรูปนะเป็อย่างนั้นมันเต็หมดเอาไปยาเพศของท่าน บุบเบี้ยวเ บ, ย ว, บยวหมดท่านเบี้ยวไม่ออกกี้ที่สงสารสมสารท่ศาน ส, นสนาเจงก็เป็นศาสนาผู้แข่งกับพระพุทธเจ้าคือศาสนาพุทธของเราแต่ก็เคร่งก็เคร่งมากมีอะไรสมบัติมีหมอ้อใส่น้ําแล้วกมีแซ่เนี่ยอะไรมีแซเดี๋ยวเจอโรคมันจะเข้ามาตากจมูกไม่รู้ตั้งแต่ตงปุ่มเจอโรคอั่งนั้นแหละที่ มันกดซื้อเหมือนกันแต่บาเรื่องมันเชื้อโรคทางนั้นเลยทั้งตัวเนี่ยเต็มไปด้วยโรคเนี่ยมันเชื้อโรคทางนั้นที่มันมากาะกุมกันกล่าวอีนี้เป็นยึบมั่นถือมั่นมากเกินไปต่อไปถ้าอย่างนี้ก็สูนปันหรือต่างๆนี่เขาหายากจะพบตัวยากแต่สนาเจริงที่อยู่ก็ไม่ทราบไปนอนตามป่าจ้านอนบ้านโกลนอะรนี่นอนต่อไปนอนบาตก็ไม่มี เวลาไปปินตาบาททำอยังเงี้ยเอมือเี้ยมืแบบนี้พอเขยบาสพอเยบาสะเลิกจลยนี่จึงจัจิเยจิงพาจริงแล้วความเริมกันเนี่ยเขาอยู่อย่างนั้นเองศาสนาจริงเขามีอะไรที่เคร่งกันแล้วกเคร่งกันเอิญธรรมชาติอยแต่ว่าคนในอินเดียคือพวกเศรษฐีมหาเศรีเป็รัาเรื่องชาตนมากนี่ชื่อว่ามหาวิระมหาวิระ กว่าหาศาสนาทีนี้พวกเศรษฐีพวกมหาเศรษฐีโอ้ตําโบวิหารที่ทําำกว่าทองคําเลยเป็นใจธรรมดานั่นเนี่ยฉะนั้นเลยประเทศอินเดียศาสนาไม่รู้จะไปศาสนาไปที่ไหนก็แอะแอะแอกันมันปั้นรูปเสร็จแล้วมันก็แอะไปทิ้งในแม่ น, <ๆ>นะเดี๋ยวไปอาบน้ามันที่ตรงไหนก็ตรงไหนไปิไปไปอาบครั้งหนึ่ง ไอ้ที่ตรงนั้นแหละแต่ถ้ก็มีเดียเปันตายเป็นร้อยอย่างเงี้ยเงี้ยไอ้เดอยู่อนี้นี่แหละเพราะมันมีแต่ความยึดมันม่นถึงมัน่นกันนี่อย่าแต่ว่าที่ดีของเรอก็มีก่อนตายจะก็หามเลยถ้าไม่หามก็อ่อผ้าขาวเช็ดเอาตั้งแต่หลังการลดจะเอาไปเลยเอาไปโผล่เลยไม่เหมือนว่าเรากินมันเจ็วันเจ็ดคืนอาหานของใครแกงวัวกิบตัวอะไรโอ้เก่งเกงเก่งเก ง, เก ง, เกงที่มันได้กินนั่นแหละ แล้วก็บาบก็บาบใช่ไหมนี่วันเราต้องกินกันต้องหาอะไรกันประเทศอินเดียตายเลยกระเปาตายเลวกระเปากเป๋ายังไม่ตั้งหมดเลยไม่มีเงินซื้อฟืนไม้ฟืนอ่ะก็ดัลงไปในแม่น้ํำคงคาเป็นเยอะแต่ปลายดีไอ้พวกอาน้ำก็ดําหัวดําท้ายกันรวปหน้ารูปตาว้วนปากเพราะว่าถ้าไปหาบน้ําในแม่น้ำคงคาเ น, าายย น, นี่ยมันจะได้บุญล้างบาปออก เาคนบาปมยตรงไรก็มาอยู่นี่ดันั้นในแม่น้ำโครการมันเต็มไปด้วยบาหว า, าทั้งนั้นก็พวกนั้นมันไปอาบ น, น้ำอาบต่ อ, ต อ, ตอ ต, ต่างศาสนาแต่ว่าสัทาชนชาวอินโดนกลัาให้ความเคารพนักสืนบบ่นักบวชเชนนิกายสีคำกรซึ่งเป็นแบบอย่างของผู้สลาดแล้วซึ่งทุกสิ่งในทางโลกเพื่อแสวงหาโมกขธรรมอันเป็นป้ามหมายสูงสุดตามกิตวิญญาณ เ, เขาก็กว่ากันไป พระพุทธเจ้าลงแต่ว่าไม่ว่าจัจจนาดอยไม่ว่า จ, ะจะาัจจดาดอยถ้าไม่เดินทางอริยมรรุปแต่ดับทุกข์ไม่ได้เนี่ยเราไม่เชื่อพระพุทธเจ้าเรามาันนั่งดวนเกตเเอลทาไมเพราะเราเชื่อพระพุทธเจ้าเพราะเราเชื่อธรรมะที่พระองค์จักรู้เมื่อเราเชื่อแล้วเราต้องเดินตามไม่ใช่มีศรัทธาอย่างเดียวเราต้องเดินตามคือเราต้องปฏิบัติตาม เราปฏิบัติตามเ้เราก็จะได้สติปัญญาี่มันเป็นอย่างนั้นอาจารย์ก็ ค, คืออาจารย์ออาจารย์ สต so ิทานันทีนับบวชเชนนิกายทีคำปอนมันมีสองนิกายแม่ชีอารยิกาดันติกางๆแม่ชีแม่ชีอารยิกาฤทธิศรีและสตราจารีวันพ่มาเกดเยืนสนทนากัมมะระหว่าง รอข้าจากกราบพระพุทธรูปพระโอคงเกเวรีราวนาคโอทั้งนั้นเยญา เจนีกายที่อ่อกกำลังเดินช้าไปยังอินาการเนี่ยเพื่อศึกษาหลักธรรมเขาสล่าทางโลกเพื่ออกหวดตั้งแต่อายุหกิบปีหลังเกษียณอายุจากตำแหน่งอาจารย์นายมหาวิทยาลัยงเยของอินเดียนเห็นไหมเนี่ยในวัเขางอ่านตัวยากมาก ไม่ก็จะพผ่ผคู้พบขคนเพราะว่าไม่นุกง้า เตียวเยาว์ เ, เพ่เตียวมือมันขันเงนเลืเกินพวกนั้นมันไปทำลายนี่ได้ทํารายนี่เป็นสิ่งที่มหาศาลนะจะเ ป, เป็นเป็นอันดับเรียกว่ายกเป็นสิ่งที่สาคัญในโลกที่หงเขาเพิ่งไปพบที่หลังเมื่อก่อนเขาเป็นป่าเป็นดงคนก็เลยไป เลไปตัดแล้วเาไปขายบ้างอะไรบ้างเหลือที่มันเอาไปไม่ได้ปะตีเที่ยเลยก็่พอมฐานท่านไม่มีสมบูรณ์จากรูปไหนนะเอาเวลาเพศไม่มีสมบูรณ์เลยโดนตัดไปทางนั้นเลยชงไัยแขตคนนี้ ถ้ามีถ้ามีไอลาหมาเนี่นนอยอะไรนักเรียวอย่างนี้เ็าือียมามีรักมามีรักาักวิ ร, รคเกวนันนักจารงานการาี แตสดงอริยสัจนี่ไม่ใช่เฉดคือพุธมาผลเขานีก็สกัดจากหญิงที่ในท้ำทางนั้นไม่ใช่สกัดได้ออกมาวางนะเขสกัดจากเนื้อถําทีเดียวเลยจากเนื้อภูเขาทีเดียวเลยเขมีความสามารถมากแล้วก็ไปถ้ำนั้นแล้วก็มีช่องมีรูมีอะไรจะลอดเข้าถ้ำนั้นกันไปก็มีความสามารถมาก ในโลกอย่างหนึ่งที่ทำได้ในสมัยที่ยังไม่มีเครืรอไม้เครื่องมือสมบูรณ์อย่างในสมัยนี้แต่เขาทำได้และทำาจวยงานทด้ด้วยเราอย่างนี้ทำไม่ได้ใจร้อน ออกมาล่อแต่ก็ไม่เป็นไรไม่มีปัญหาตั้งสามะอย่าโกลมติดโกใจได้คณะเราออกจากทำออกจากทำนี้ก็จับรูปกันหน่อยเลยเข้ามาถึงตรงนี้นั่งขอตานอยเมื่อกี้กลับ ตาดีใครมาขอตาก็ได้ไปบ้างพ อ, อคนตาบอกไปไปก่อนสงสรแล้วก็อาก่อหแต่ครั้งนี้ก็เป็นสิ่งัดทธิแบบศาสนาพุทธกับเรื่องงรนิยญศักดิ์สิทเดียวกัน สัจจีสำคัญมากถ้าไม่รู้อริยสัจจีก็คือไม่รู้ทั้งหมดแต่ถ้ารู้อริยสัจจีก็จะรู้ทั้งหมดรู้อริยสัจจรู้ขันห้าี่ซึ่งอยู่ที่ตรงกลางอริยอยู่ที่ตรงกลางของปฏิจจสมุปบาทแล้วก็รู้ปฏิจจสมุปบาทเนะนี่ยอยู่ที่ตรงนี้าการปฏิบัติธรรมไม่มากไปกว่านี้ ร, ร, รูยกเย็ดเกินชุวยปัตนามรู้อวลัสักทีรู้กันหนารู้ปฏิบัติเทพบารมีแต่แล้เรื่องความทุกข์กับความดับทุกข์มีเท่านี้แหละแ้่เราจะไปปฏิบัติอันมากมายอะไรทําไมเพราอาจารย์หลากหลายในสมัยนี้จะทชิมเชิญชวนชิมชินแต่อาจารย์อาจารย์อาจารย์ชิมแต่อาจารย์ชิมไปชิมมาอาจารย์คนสุดท้ายคือตัวเราเองนั่นแหละ เราต้องปฏิบัติธารมเลยยมักในองค์เพปฏิบัตไฟพิจารณาไฟพอนาไยพิจารณาอยพอนาไฟพิจารณาอยให้เห็นตามความเป็นจริงนี่ทีนี้เราแน่ใจอาจารย์รูปไหนกันแน่เจาอาจารย์ก็ขอาจารย์พระพุทธเจ้าตรัสว่าอาจารย์อะไรพระพุทธเจ้าตรัสว่าดูก่อนว่ากะนี้ผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราผู้ใดเห็นเราผู้นั้นเห็นธรรม ผู้ใดจะมาจาับที่ริงจีวลของเรา <c oughs> ก็ยังไม่รู้จักเรานี่เราต้องปฏิบัติเองผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราเราของพระพุทธเจ้าในที่นี้คือสุญาต า, ว, าว่างว่าว่างจากความยึดมั่นถือมัน่นจตที่ว่างจากความยึดมั่นถือมัน่นเมื่อพระอริยสง์ท่านปฏิบัติจนจบสูตรทานก็เป็นบาะรานัน ว่ท่านเป็นพระอรหันต์ท่านก็มีจิตว่างว่าท่านมีจิตว่าเป็นยังไงจิงว่างจากความยึดมั่นหรือมัน่นในสิ่งตัางปวงดังนั้นมีพระรูปหนึ่งไปทูลถามพระพุทธเจ้าว่าพระเจ้าข้าทำมากที่พระองค์ทรงแสดงมากเหลือเกินไม่ทราบว่าจะปฏิบัติที่ตรงไหนพระเจ้าข้าพระองค์เลยแต่ว่าจับไป ธรรมมาณาัางปินิเวสายะโยมเดาเม่เดี๋ยวก็แปลความสิ่งทั้งปวงก็คือทั้งหมดในจสิ่งทั้งปวตาหูจมูกลิ้นกายใจนี่ะรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสธรรมารงทั้งมันกู่กันอยากอุญ ญ, ญาตความรู้สึกทางตาความรู้สึกทางหูความรู้สึกทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจวิญ ญ, ญาณโณ จักกูวิญญาณโตาวิญญาณกานะวิญญาณจิวมเาวิญญาณตายาัวิญญาณมาโนวิญญาณวิญญาณโหวิญญาณโกเรก็่ชชาปัจจาวโหการกระทบการกระทบทางตาทางหูทางจมูกทางหินทางกายทางใจพอกระทบแล้วเกิดอะไรขึ้นมาเกิดเวทนาเกิดความพอใจและความไม่พอใจหรือว่าโง่อแล้วไปเฉยๆไม่รู้ว่าอะไรเป็นอะไรนี่ ไม่รู้เพราะฉะนั้นจิงทั้งกวกันไกลไไม่ควรเข้าไปยึดมั่นถือมัน่นว่าเป็นตัวตนว่าเป็นของตนฉะนั้นถ้าใครอยากจะปฏิบัติให้มันรวดเร็วไปเอาไว้ส0สิบนี้เยอายตนะภายในหกชาหูจมูกลิ้นกายใจอยายตนะภายนอกหกรูปเจงกลิ่นรสจัมปัสธรรมาร์วิญญาณหกห3ห้าสาสบปัจจารหก เวทนาหกหกอย่างนี้พอรู้หกอย่างนี้รู้จากเวทนาเร็จแล้วก็เลิกความยึดมั่นถือมั่นตัณหาก็เกิดไม่ได้มีเท่านี้และมีเท่านี้อย่างนี้ก็จะว่าปฏิจจรมุปบาทครึ่งก้อน พี่เป็นน้องกันมาที่นี่คนเน่ติดตามหลวงพ่อยู่เรื่อยนี่ก็คือรานบริษัทที่ทำอีวอนอุปกรณ์พระชื่อว่าอะไรอะอะไรสินะโอ้ธรรมสิลป์ร้านธรรมสิลป์ เนี่ยเราก็อก็พยายางจ่าเขาขออตอนนี้ยังจําไม่ได้เลยมันไม่ก็จําตรง น, นี้อเอาแต่คาพใจอย่างเดียวร้านธรรมสิงแต่พอมีคนงานประมาณเจแปดสิคนพอทําเรื่องกีวรกระบองอุปกรณ์พระนี่อะไรแต่พอจะถอยกระบองบางจีวรบางอย่ามบ้างวัาบบางนนี้ก็เอามาจ่ายแล้วอย่างพอคนที่หนูคนทำจะไหว บางทีก็ทําไม่ถูกใจถูกยังไงเวลานั่งก็เฝ้ามันเป็นนั่งทับอยู่ใต้ตะโพกนู่นมันไปรู้ว่าไม่ได้ดิเพราะว่านี่ต้องทำอย่างนี้อย่างนี้ต้องมีเดี๋ยวเอาตัวอย่างมาดูมันจะได้ไม่อย่างนั้นก็ไม่ได้ดางนั้นต้องพิธีพิถันใครขนาดไหนอะไรยังไงใช้ซิปยังไงใช้กระดุมยังไงเนี่ยบางทีก็บวชนะก็ต้องพิธีพิถัน แต่ที่บวดเจ็ดวันส5ห้าวันถามเดือนงไม่รู้เราะแ่ไม่รู้นะรว่าจีวรเนื้อดีเนื้อไม่ดีแะไไม่รู้เรื่องเนาะจีวรเนไม่รู้จักเลยจะไปรู้จักธรรมะได้ยังไงนี่เอาคิดดูในร้มนี้ไม่มีอยฟ้า้ายเวลาต่ายรูปก็ไม่เห็นดันั้น แค่คนนี้นก็ฉลาดเพรก่อ็เลยเอาไอ้สังกระสีไม่ก็เราสง่งไปตกเล่นเล่นกับดวงอาทิตยแล้วมันก็สะท้อนไปในถ้ำนี่พอสะท้อนไปในถ้ำพวกเราก็ได้ใา้รูปเห็นสบายตรกคลับอกแไม่ต้องขอคนนั้นต้องหาูีคนนี้ก้องสิบดูดีแ่ก็เลยมีงานทำสบายเลยนี่ฉลาดคนน ไม่ต้องขอทานเห็นไหมเนี่ยแกไม่ต้องขอทานรูปนี้จะเป็นรูปสุดท้ายแล้วขึ้นเส้นต่อคิดทุ่งแบบอ๋อสามุ่งกว่าแล้วยังไม่นอนวนะน่ะออย่างนั้นเป็นรูปสุดท้ายแล้วก็เช้ามืด ปีห้ามานันดำกันตรงนี้ความดำไม่มีรูปขอขอทุกคนเอาไปคิดไปพิจารณาในเรื่องอริยมรรคเปีแปรกันใ้ดีๆแล้วก็ข อ, ขอจบวว้ตามนี้ขอความจุกคนจเจริญจงเกิดมีกระญาติโยมทุกทุกท่กทานคือ